คุณไม่บอกให้เรารู้เสียแต่แรกว่าไอ้หมู่บ้านหล่มช้างนี่นะมันเป็นหมู่บ้านมหาโจรพวกฆาตรกรที่เป็นภัยอันตรายที่สุดหญิงสาวน่าเครียดตั้งกระทู้มาอีกพรานใหญ่ชะงักไปนิดหนึ่งชำเลืองแว บ, บไปที่แง่ทรายแล้วตอบราบเรียบเช่นเดิมว่ามันเป็นมหาโจรหรือฆาตรกรกับใครก็ช่างขออย่าให้มาเป็นกับพวกเราก็แล้วกันและเราก็หวังไว้เช่นนั้นคุณรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าระพินเมื่อประมาณขรึ่งปีมา น, นี้เอง มิชแนลรี่สองคนผมเมียหลงจากแดนพมา่าก็มาถึงหมู่บ้านนี้ขยินค่าเสียทั้งสองคนรับพินภัยวันดูดก้นบุหรี่จนแก้มตอบแล้วดีดกระเด็นเข้าไปในพงรกลิมทางนายจ้างทั้งสามจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวผมได้ข่าวเหมือนกันครับระยะขึ้นปีมานี้ผมยังไม่มีโอกาสได้พบกับขยินเลยก็คิดว่าจะถามมันดูเหมือนกันในการพบมันข่าวนี้ถ้ามันจะไม่เข้าตีเสียแล้วนาผู้กองไอ้คนแบบนี้มันเป็นอันตรายที่สุด ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยผมว่าหาทางจัดการมันสิเถอะอดีตนายทหารปืนใหญ่พูดพร้อมกับผัวร้อเสียงแปล ง, ปงเราไม่รู้สถานการณ์แท้จริงของพวกหมู่บ้านนี้เลยก็คิดแต่แรกว่าเป็นพวกกะเหลี่ยงธรรมดาคุณปิดบังเงียบเฉยไว้เหมือนเจตนาจะไม่ต้องการให้เรารู้ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายที่สุดเราต้องพักกันอยู่ที่นี่อีกนานด้วยมันจะเหมาะหรือที่เราจะต้องอยู่ท่ามกลางดงมนุษย์อมหิบเป็นภัยร้ายกาจพวกนี้ คนร้ายนะมันอันตรายเสียยิ่งกว่าสัตว์ร้ายอีกดาลินต่อว่าเสริมมาผมเชื่อว่าข้ายิ่งจะไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆกับคณะของเราทั้งสิ้นและที่ไม่ได้บอกให้ทราบมาก่อนเกี่ยวกับการเป็นอยู่และนิสัยใจคอของพวกนี้ก็พราเห็นว่าไม่สําคัญผมเป็นผู้รับผิดชอบในคณะเดินทางทั้งหมดนี้อย่างเต็มที่แล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนสายตาไปยังชัยยันไม่ต้องวิตกหรอกครับคุณชา ย, ยัน ถ้าขยินไม่เป็นไปตามที่ผมหวังไว้ผมจะจัดการมันเองและโดยเหตุผลข้อนี้แหละที่ผมจะเข้าไปพบมันตามมังพังก่อนไม่ต้องการให้ทุกคนเข้าไปเสี่ยงอย่าลืมว่าคุณเป็นคนของเราดารินพูดเสียงกระด้างเต็มไปด้วยอำนาจและศักดิ์ของนายจ้างและขอให้รู้ไว้ด้วยว่าโดยสถานการณ์อันชื่ออะไรไม่ได้แน่นี้เราก็ไม่ต้องการให้คุณเสี่ยงเหมือนกันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างสมมุติว่าคุณเข้าไปพบมัน แล้วคุณก็ไม่มีโอกาสได้กลับออกมาอีกเลยจริงละ่ะสําหรับพวกมันเพียงหมู่บ้านขนาดนี้โดยกําลังคนและอาวุธของเราสามารถจะล้างมันให้เกลี้ยงไปทั้งหมู่บ้านได้แต่เราฆ่ามันตายหมดเพื่อชดเชยให้แก่ชีวิตคุณนะหรือแล้วคุณหญิงจะให้ทํำยังไงครับดารินจ้องตาลูกวาลลงไปยังหมู่บ้านที่เห็นอยู่เบื้องล่างแล้วพผล่ออกมาตามนิสัยนิ้วหางเด็ดเดี่ยวผสมกับความใจร้อนล้อมมันไว้ทั้งหมดใช้ระเบิดกับปืนซันโบขู่เข้าไปก่อนให้มันยอมจำนวน แล้วจับขยินไว้ยึดหมู่บ้านมันเสียเลยพรานใหญ่ลืมตาโพภงจ้องหน้าหล่อนด้วยประกายตาขบขันแล้วชิดเท้าตรงยกมือขึ้นวันธยาหัดอย่างแข็งแรงซ่อนยิม้มคุณหญิงไม่เพียงแต่เป็นแพทย์หรือนักเมาลุกวิทยาเท่านั้นยังเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดไม่น้อยแต่ผมคิดว่าอย่าเพิ่งให้รุนแรงดุเดือดถึงขนาดนั้นก่อนเลยครับผมแน่ใจว่าพอจะพูดกับขยินได้รู้เรื่องถึงพลาดพรั้งยังไงผมก็มีทางที่จะเอาตัวรอดได้ โดยไม่จำเป็นต้องห่วงพี่ชายหันมาตบไหล่น้องสาวเบาๆขยินเป็นคนเฮี้ยโผดป่าเถื่อนอยู่แล้วแต่น้อยจะยิ่งหนักกว่านั้นถ้าทำอย่างที่พูดเมื่อกี้ในบู่บ้านไม่ได้มีเพียงขยินคนเดียวแต่ยังมีลูกบ้านที่เป็นเด็กและผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วพวกเราเองนั่นแหละจะเป็นโจรไปเอาอย่างที่เราพินเขาบอกมาก่อนดีกว่าถ้าไม่สำเร็จหรือมันแผงลงฤทธิ์อะไรขึ้นค่อยทาตามแผนของน้อย ดาลินผู้แค้นเคืองชิงชังขยินอยู่ก่อนเป็นทุนเดิมยิ้มออกมาดุดุงั้นก็ตามใจเถอค่ะแต่สําหรับน้อยไอคนป่าเถื่อนก็ต้องใช้วิธีการป่าเถื่อนกับมันบ้างถึงจะสมกันเราไม่ได้ยิงให้ถูกมันแต่ยิงขู่ให้มันยอมแพ้เอามามอบตัวเท่านั้นซึ่งจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าที่จะส่งทูตเข้าไปเจราจาว่าอันที่จริงขยินก็เป็นอาชญากรมีคดีฆาตกรรมมิชแนารี่สองผเมียนั่นอยู่แล้วมันควรจะต้องถูกจับและลงโทษ พวกเราทุกคนไม่อยู่ในฐานนะที่จะทำตัวเป็นตํารวจหรือผู้พิพากษาเชี่ยถาเตือนอย่างสุ ข, ขุมเรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือป้องกันตัวเองและดําเนินการเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราอีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามตาต่อหน้าเราอันจะทําให้เราป้องกันขัดขวางไว้ได้เรื่องมันล่วงเลยผ่านมาแล้วเราก็เพียงจะรับรู้ไว้เท่านั้นจะตัดสินเอาผิดอะไรกับขยินมันไม่ใช่เรื่อง พลางหัวหน้าคณะก็เปลี่ยนสายตาไปทางพลานใหญ่ถามว่าคุณจะเข้าไปเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือก็มีเกิดเซยและจานอีกสามคนรวมเป็นสี่คนครับบุญคำจะให้อยู่ที่นี่ด้วยทำไมไม่ให้ผมไปด้วยอีกคนชา ย, ยานสวนมาเร็ ว, รวพลานใหญ่สั่นศรีรษะมองดูอดีตนายทหารหนุ่มอย่างขอร้องไม่เหมาะหรอกครับผมกับพลานพื้นเมืองอีกสามคนก็พอแล้วคุณชา ย, ยานคอยคุมพวกเราบนนี้ไว้ดีกว่า คุณชายเองก็ยังเดินไม่ถนัดนักพวกผมพลาดพังอย่างไรคุณชายยานจะได้ช่วยทางนี้รับมือมันว่าแล้วเขาก็เดินไปที่เกวียนคันหนึ่งซึ่งบรรทุกสัมภาระส่วนตัวของเขาเองดึงปืนลูกซองแฝดออกมาแต่เชษฐาตะกลเรียกแล้วส่งบราวนิ่งกึ่งอัตโนมัติที่บรรจุ ก, กระสุนได้ครั้งละห้านัดไปให้พร้อมกับเข็มขัดกระสุนที่มีลูกอัดเต็มเอาไว้นี่ไปดีกว่าแล้วก็ยังมีแบบปั๊มแอคชั่นอีกกระบอกหนึ่ง บรรจุได้ห้านัดเท่ากันให้เกิดถือไว้อีกกระบอกนอกนั้นก็เอาแฝดไปแล้วพินยิ้มเล็กน้อยรับปืนมาจากคลังปืนของนายจ้างโยนแจกจ่ายให้กับเกิดจันและเซย์คนละกระบอกพร้อมทั้งเข็มขัดกระสุนโดยเปลี่ยนจากปืนไรเฟิลมาเป็นลูกซองซึ่งเป็นปืนที่อำนวยผลอย่างดีที่สุดในการประทั้งกับมนุษย์ในระยะประชิดติดพันชายันก็ถอดเข็มขัดปืนสั้นขนาดจุดสี่สี่แมกนั่มที่ติดเอวอยู่โยนมาให้อีกกระบอกหนึ่ง อ้าวติดเอวไว้พลาดพังไอ้ห้านัดนั่นหลุดมือไปหรือบรรจุไม่ทันก็จะได้พึ่งไอ้นี่เป็นพัางๆอย่าประมาทอย่าคิดว่าขยินมันจะเป็นเกอเก่าของคุณแม้ว่าจะเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเช่นไรก็ตามเขาคงหัวเราะเบาๆอยู่เช่นเดิมและเพื่อไม่ให้เสียศรัทธาในความเป็นห่วงของนายจ้างจึงฆ่าเข็มขัดปืนของชายยันติดเอวไว้อีกกระบอกหนึ่งไม่กี่อึดใจต่อมาการเตรียมตัวลงไปพบกับขยินก็เสร็จสับ นัดกันเสียให้เรียบร้อยก่อนจะเอายังไงเชษฐถาถามถ้าได้ยินเสียงปืนก็แปลว่าเกิดเรื่องครับต่อจากนั้นก็สุดแล้วแต่คุณชายหรือคุณชยันตตัดสินใจขอบอกเพียงอย่างเดียวว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมทั้งสี่คนเขาบอกมาอย่างง่ายๆแล้วพยักหน้ากับพรานหนุ่มทั้งสามพากันเดินลงจากไกลเขามุ่งตรงไปยังหมู่บ้านอันมองเห็นเงียบเชียบอยู่นั้นขณะที่ร่างของพลานใหญ่กับอีกสามคนห่างออกไป เชษฐาก็เรียกบุญคำเข้ามาบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมจ่ายลูกปืนให้คนละกล่องบุญคำปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร็วเรียกพวกลูกหาบทุกคนมาแจกจ่ายกระสุนปืนให้เชษฐาดาลินและชัยยานลงจากเกวียนตรงเข้าไปยึดกลุ่มโขดิินดินผาแล้วสั่งให้พวกลูกหากระจายกำลังกันออกแยกย้ายไปจำอยู่ในที่มั่นพร้อมที่จะโปรยหากระสุนลงไปในทันทีหากเกิดเหตุร้ายขึ้น ดาลินถือจุด300 000, วิเทอร์บีส่วนเชษฐากับชา ย, ยันใช้ขนาดจ3 0สานกคนะกระบอกต่างพุ่งสายตาแน่วแน่จับตามหลังคนทั้งสไปรู้ไหมพวกหล่มช้างมีปืนสักกี่กระบอกชายยันหันไปถามแง่าสายผู้ยืนอยู่ใกล้ๆพวกผู้ชายมันมีกันเกือบครบทุกคนหละครับประมาณ30กว่ากระบอกแต่เป็นปืนแกป๊ปนอกนั้นก็เป็นหน้าไม้อาบยาพิษ สมมุติว่ามันยิงเอาก่อนจะทำยังไงกันนี่สี่คนนั่นเดินเข้าไปเป็นเป้าอย่างดีทีเดียวไม่รู้พวกมันซุ่มอยู่ตรงไหนบ้างดาลินเปิดขึ้นอย่างวิตกหล่อนกระสับกระส่ายร้อนใจกว่าทุกคนเชื่อมือรพีนไว้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็รู้จักเจ้าพวกนั้นดีกว่าเราไม่แน่จริงเขาก็หากินอยู่กับพวกนี้ไม่ได้บางทีพวกเราอาจจะวิตกกังวลกันเกินกว่าเหตุก็ได้เชษฐาพูดเบา บุญคำผู้ยืนถนานอยู่อีกด้านหนึ่งก็หัวเราะท่าทางไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรทั้งสิ้นบอกมาว่าเจ้านายไม่ต้องกลัวหรอกครับผมรับรองว่าขยินมันจะไม่ทําอะไรพรานใหญ่อย่างเด็ดขาดถ้ารู้ว่าเป็นแกป่านนี้มันก็คงเห็นแล้วทําไมบุญคำถึงมั่นใจอย่างนั้นดาลินถามหุวนวพลานเท่าแห่งเขาอึมครึมอ้าปากหัวเราะเห็นเหงือกสีครับโท่นายหญิงไอขยินนะ้ำมันรอดตายจากเสือขบผัวก็เพราะพรานใหญ่ มันไม่เคยกลัวใครก็จริงแต่มันทั้งรักทั้งเกรงคุณรพินถ้าไม่ได้คุณรพินป่านนี้มันก็ตายไปนานแล้วคณะนายจ้างทั้งสามหันขวับมาจ้องหน้าบุญคำเป็นตาเดียวด้วยความประหลาดใจคลามคันทำไมพรานใหญ่เคยช่วยชีวิตเจ้าขยินไว้เหรอชา ย, ยานถามเร็วปือเรื่องการช่วยเหลือนะ่ะคุณลพินแกเที่ยวได้ช่วยเหลือใครต่อใครไว ม, มากทีเดียวครับไม่งางนั้นแกก็ครองป่านี้ไม่ได้ ช่วยชีวิตจากอันตรายบ้างอื่นๆสารพัดอย่างที่แกจะช่วยได้อย่าว่าแต่พวกกะเหลี่ยงลมช้างนี่เลยครับต่อให้พวกว้าที่ดุร้ายที่สุดชอบล่าหัวคนโดยไม่เลือกหน้าแกยังไปนอนไปกินบ้านมันได้ราวกับพระราชาไม่มีพวกชาวป่าชาวเขาที่ไหนไม่ว่าป่าล่างป่าบนในแถบตะนาวสีทั้งสองฝั่งจะไม่รู้จักแกเจ้าขยีนความจริงก็เป็นคนเกะ ก, กะหัวไม้มากแต่เวลาคุณรพินตะเวนหาสัตว์มาถึงที่นี่ แกก็นอนบนบ้านมันนั่นแหละมิหนำซ้ํามันยังช่วยนําออกหาสัตว์ด้วยบางทีก็ยังช่วยหาผามแทนลูกหาเสียด้วยซ้ําดารินอ้าปากค้างอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งแล้วทิ้งมือลงอย่างอ่อนใจดูเถิดค่าพี่ใหญ่ดูอีตาพานภัยของเราคนนี้แหมมันน่าเหลือเกินพวกเรารู้เป็นห่วงอาจจะแย่อยู่แล้วเขาจะบอกสักนิดก็ไม่ได้ว่าเขาเคยมีบุญคุณไว้กับเจ้าขยินจนถึงขนาดเคยเรียกใช้ได้ เชิดขาหัวระออกมาสีหน้าดีขึ้นก็พี่บอกแล้วยังไงว่าบางทีพวกเราอาจวิตกกลิ่งเกงกันไปเกินกว่าเหตุก็ได้แล้วพี่จะต้องรู้อะไรดีอยู่แล้วเรื่องความร้ายกาจของขยินเขาไม่ได้บอกเราน้อยก็หาว่าเขาปกปิดทีนี้เรื่องที่เขามีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของขยินซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันน้อยก็หาว่าเขาไม่บอกอีกรวมความแล้วเราวุ่นวายกันไปเองแท้แต่ฉันยังไม่แน่ใจนัก ชายยานแย้งมาเสียงหนักๆมือคงกระชับไหลเฟินแน่นตาจับนิ่งอยู่ทางด้านหลังของพรานใหญ่ที่ห่างลงไปเป็นลําดับถึงเขาจะมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจขยินมาก่อนอย่างไรก็ตามสังเกตดูท่าทีของเขาก็ไม่ไว้ใจขยินอยู่เหมือนกันไม่งั้นจะให้เราคอยอยู่ที่นี่ทําไมนั่นเป็นเรื่องความรอบคอบไม่ยอมประมาทของเขาซึ่งก็ดีแล้วเอาละ่ะประเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าพรานใหญ่ของเราแน่แค่ไหนแต่ให้ตายเถอะไอ้เสือนี่มันเป็นคนถ่อมตัวเหลือหลาย ไม่ยอมคุยอวดสักดาอะไรเลยนอกจากพวกเราจะค่อยๆรู้เห็นกับตาเองคนทื่อมาลือดูยากกระหากครับพี่ใหญ่กวนโทรโสเสล้เกินเจ้าประคุนขอให้เจ้าขยินนั่นซัดออกมาสักเปลี่ยงเถอะนะอ้าวไงงั้นละน้อยแช่งเขาเสร็จแล้วชายยันร้องออกมาไม่รู้เพื่อนสาวสะบัดหน้ากระชากเสียงมาห้วนๆจากการเฝ้าจับมองของทุกคนที่คุมเชิงอยู่บนที่มั่นเหนือไรเขา ลพินกับพรานพื้นเมืองทั้งสามเดินเข้าไปถึงบริเวณหน้าลานหมู่บ้านพวกในหมู่บ้านเริ่มปรากฏตัวโผล่ออกมาทีละคนสองคนรวมทั้งลูกเด็กเล็กแดงพร้อมกับเสียงหม้าเห่าขล่มมีเสียงร้องตะโกนบอกกันต่อๆไปอึดใจเดียวพวกนั้นก็โผล่กันออกมาเต็มลานตรงเข้าวหอมร้องพรานใหญ่เต็มไปหมดด้วยลักษณะต้อนรับทักทายขณะไหนจ้างหันมามองดูหน้ากันอีกครั้งบุญคํายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เห็นไหมครับบุญคําบอกแล้ว พวกนั้นมันดีใจที่เห็นพรานใหญ่ทีแรกมันคงยังไม่รู้ว่าเป็นแกะก็เลยแอบซ่อนคุมเชิงอยู่เชิดขาผ่อนลมหายใจยาวออกมาตายังไม่เปลี่ยนไปจากภาพเบื้องล่างขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเราต้องการผูกมิตรกับพวกนี้ไม่ใช่ต้องการเป็นศัตรูครั้นแล้วร่างของรพินกับพรานทั้งสาที่ถูกคล้องล้อมโดยพวกชาวบ้านหล่มช้างก็ลับหายเข้าไปในมุมบังคับของกลุ่มเรือนอันหนาแน่นที่ปลูกเรียงรายอยู่ผลจากสายตาของผู้ที่คอยอยู่ข้างบน เวลาผ่านไปถึงสินาทีเต็มๆท่มามกลางการเฝ้ารอคอยอย่างกระวลกระวายใจของคณะนายจ้างทุกคนก็เห็นเสซยโผล่ออกมาเพียงคนเดียวเดินด้วยอาการปกติตรงกลับเข้ามาว่ายังไงพรานใหญ่กับอีกสองคนนั้นอยู่ไหนทาไมถึงกลับมาคนเดียวชา ย, ยันร้องถามออกไปก่อนที่เซยจะเข้ามาถึงด้วยความร้อนใจพรานใหญ่ให้ผมมาบอกกับเจ้านายว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับ ให้พวกเราเคลื่อนเกวียนเข้าไปในหมู่บ้านได้เดี๋ยวนี้แกกำลังพูดกลัยอยู่กับขยินเรียบร้อยดาดินร้องออกมาดังๆเต็มไปด้วยความสนเท่ยังไม่ไว้ใจนะักหมายความว่ายัางไงขยินยอมตกลงตามที่เราต้องการเรยผานใหญ่บอกมันหรือเปล่าว่าเรามีเจ้ามูกับนางอ้วติดมากับขบวนของเราด้วยผานใหญ่พูดเรื่องนี้แล้วครับทีแรกมันไม่ยอมเหมือนกันแต่แล้วก็ยอมเมื่อผานใหญ่บอกว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะปราบงูยักษ์ได้สําเร็จ ทั้งสามถอนใจออกมาอย่างโล่งอกชายันหันไปมองดูหน้าเชิฐาแล้วพุ่มพำออกมาง่ายดายเกินกว่าที่คิดไว้มันต้องให้ได้อย่างนี้สิย่อชายนายแลพินของเราโล่งอกไปทีเชิฐาสอบซักถามเสร็จถึงการพบปะผู้จาระหว่างพรานใหญ่กับพุ่นหน้าหมู่บ้านดมช้างอยู่อีกครู่จนแน่ใจก็สั่งบุญคําให้บอกพวกลูกหาบเข้าประจําหน้าที่ตามเดิมชวนชายันกับดาเรียนกลับขึ้นไปนั่งบนเกวียน จากนั้นก็ให้เคลื่อนจากไหลผาอันเป็นวิเวณ ย, ยึดเป็นที่มั่นเดินเลาะทางตรงเข้าไปยังเขตหมู่บ้านโดยการนำของเซยขณะที่คาราวานเกวียนใกล้เข้าเขตเข้ามาพวกกล่มช้างพากันออกมายืนมุงดูแน่นขนาดไปหมดส่วนมากเป็นเด็กกับผู้หญิงบรรยากาศอันตึงเครียดคลี่คลายลงสอให้เห็นชัดได้ว่าการเจราจาระหว่างรถพินกับขยินหัวหน้าหมู่บ้านเป็นไปด้วยด้านสันติแต่ถึงเช่นไรก็ตาม เชษฐาเรียกบุญคำกับเสยเข้ามากระซิปสั่งไม่ให้คณะทุกคนอยู่ในอาการประมาทปืนทุกกระบอกบรรจุลูกเต็มอัตราและถืออยู่ในมือลักษณะพร้อมที่จะใช้ได้ทุกขณะเสยนำตัดรานกว้างไปทางด้านตะวันออกของบ้านกะเลียงห่างบ้านกลุ่มแรกออกมาประมาณสองอยหลาแล้วให้หยุดปลูกสร้างแคมป์ขึงกระโจมขึ้นพรานใหญ่สั่งให้พวกเราตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ครับเสยบอกเมื่อถูกเชดาถามครึ่งชั่วโมงต่อมา บริเวณแคมป์ชั่วคราวของคณะผจญภัยก็เสร็จเรียบร้อยดารินสั่งให้ปูพื้นด้วยผ้าใบหนาในบริเวณกระโจมพักตอนหนึ่งและให้นำร่างอันหมดสติของจมุนอนพักอยู่ที่นั่นโดยมีนางอ้วนคอยนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆรอบบริเวณพวกเด็กๆกับผู้หญิงพากันมายืนล้อมมุงดูอยู่ห่างๆพวกลูกหาบที่กระจายกันล้อมรอบเต็นท์คอยกันไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้ทุกอย่างเสร็จสับ แต่รัพพินก็ยังไม่ปรากฏกายกลับมาให้เห็นเอป่านนี้ทำไมรัพพินยังไม่มาอีกเราเข้ามาจนถึงที่นี่และตั้งแคมป์เสร็จไปตั้งนานแล้วชยยายหยันเตยขึ้นอย่างเป็นห่วงเดินไปแวบบประตูกระโจมออกมองเข้าไปยังเรือนกะเลียงที่ปลูกอยู่เป็นทิวสลับซับซ้อนเหมืองเมืองเล็กๆคงมีเรื่องที่จะต้องพูดกับขยินอยู่มากปล่อยเขาเถอะเดี๋ยวก็คงมาเองเชื่าออกความเห็นอย่างคนใจเย็นตามนิสัย ดารินผู้กำลังซุดคุกข่าวตรวจสอบอาการของจมุอยู่ก็เงยหน้าขึ้นยังน้อยที่สุดกลับมาส่งข่าวเราก่อนก็ยังดีนี่เงียบฉี่ไปเลยน้อยว่าให้เสกับบุญคำไปตามดีกว่าก่อนที่พี่ชายจะตอบว่ากไกรชายยานผู้ยืนมองอยู่หน้าประตูกระจกก็ร้องบอกมาเบาๆว่าอ้อโผมาโ น, นแล้วแต่เอ๊ะตาเกิดกลับมาคนเดียวอีกนั่นแหละ ว่าแล้วชายยันก็ก้าวออกไปจากบริเวณเต็นท์เชิฐาเกาะไหลน้องสาวขยกตามออกมาด้วยเกิดเดินยิ้มย่องผ่องใสตรงเข้ามาและก่อนที่ใครจะร้องถามออกไปพานหนุ่มก็รายงานพนหัวเราะร่ามาว่าพานใหญ่ให้ผมมาส่งข่าวก่อนครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงให้เจ้านายกับพวกเราพักผ่อนกันให้สบายประเดี๋ยวแกจะมาจะเอาขยินมาด้วยแล้วนี่พานใหญ่อยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรอยู่ เชิถาถามโดยเร็วอยู่บนเรือนขยินครับกำลังกินเหล้าอยู่ขยินมันดีใจที่ได้พบพานใหญ่แล้วก็ยิ่งดีใจมากที่รู้ว่าเรามีของมาฝากมันแยะคณะนายจ้างมีสีหน้าปลอดโปร่งแจ่มใสขึ้นแกกลับมาสิคนหนึ่งพานใหญ่ก็อยู่กับเจ้าจันเพียงสองคนเท่านั้นสิครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่มีอะไรท่าทางขยินเป็นยางไรบ้างมันยอมรับข้อเสนอของเราด้วยดีไหม นักมนุษยวิทยาถามบ้างอย่างไม่ไวายสงสัยเกิดหัวเราะอย่าห่วงเลยครับนายหญิงไอ้ขยินมันไม่เคยฟังเสียงใครก็จริงแต่มันเชื่อพานใหญ่ไอ้พวกนี้มันดีอยู่อย่างจะโหดร้ายอำมหิตสักแค่ไหนก็ตามลองถ้ามันรักนับถือสิอย่างเดียวแล้วมันไม่เคยหักหลังและถ้ารับปากรับคําแล้วก็จะไม่กลับคําทีหลังยอดเหลือเกินนะเจ้านายของเกิดคนนี้หญิงสาวผู้ใส่หน้าเกิด หางเสียงประชดริมฝีปากกลาดไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นชื่นชมเช่อฐาและชายยันก็พอยสบายใจหมดข้อกังวลไปด้วยต่างกลับเข้าไปพักผ่อนรอคอยอยู่ในกระโจมมุได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาในเวลาบ่ายสามโมงพอรู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนก็ผงะตกใจคว้ามือสาควคนรักไปกุมไว้แน่นดาลินยิ้มให้อย่างปลอบใจพูดอ่อนโยน โดยให้แง่ทรายทําหน้าที่เป็นล่ามว่าไม่ต้องตกใจเจ้ากับคนรักของเจ้าขณะนี้อยู่ในความคุ้มครองของเราขยินจะมาทําอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นและขยินก็รับปากเลยว่าจะไม่ทําอะไรเจ้าทั้งสองคนมุอาจต้องตายเพราะเขี้ยวหมูหมุเป็นห่วงนางอัว้วขอฝากมันไว้กับนายหญิงด้วยอย่าให้ใครทําอันตรายมันเมื่อมุตายแล้วกเกรียงหนุ่มผู้บูชารักพูดแผ่ว ดารินสั่นศีษะช้าๆใบหน้ายังยิ้มมาหมายอยู่เช่นนั้นวางมือลงบนหน้าผากของลูกชายหัวหน้าบ้านมุกจะไม่ตายและเดี๋ยวนี้เราก็ช่วยให้ปลอดภัยแล้วมุ้จะได้อยู่กับนางอ้วนตลอดไปหล่อนพูดเสียงหวานและจัดการฉีดยาให้คนเจ็บอีกเข็มหนึ่งต่อจากนั้นเจ้ามุกก็หลับไปอีกด้วยความอ่อนเพียจะกพิษบาดแผลชกันราวสี่โมงเย็น พระพินภัยวันก็โผล่เข้ามาในเต็นท์ของนายจ้างมีร่างหนึ่งตามติดมาเบื้องหลังด้วยสายตาของทั้งสามพุ่งจับไปยังร่างนั้นเป็นตาเดียวเป็นชายวัยประมาณห้าสิบเศษผมสีเทาเป็นกระเซิงคาดไว้ได้วยผ้าสีแดงสูงใหญ่กำยำขนาดแง่ า, ายใบหน้าเยี่ยมเกรียมดุดันตาขุ่นปราศจากแวว แก้มข้างหนึ่งมีรอยแผลเป็นจากเล็บเสือลึกเป็นทางลงมาจรดทางที่คอมีสังวานทำได้เคี้ยวสัตว์ป่าห้อยอยู่เอวเหน็บมีดสั้นมือถือปืนแก๊ปกระบอกยาวสูงเกือบท่วมหัวพอมองเห็นถนัดชายยันก็อุทานออกมาเบาวๆว่านี่มันองคุลีมานี่ว่ะขยินก้าวเข้ามาหยุดยืนเด่นอยู่กลางกระโจมตาคุนไปด้วยสายเลือดมองจับไปยังคณะชาวพระนครทั้งสาม พร้อมกับรอยยิ้มที่ดูเหมือนเสแสร้งขยินมาเยี่ยมคํานับและทําความรู้จักกับพวกของคุณชายครับพานใหญ่บอกยิ้มยิ้มดาลินยืนกอดอกจ้องหัวหน้าหมู่บ้านหล่มช้างคำเหม็งเชษ ฐ, ฐากับชายยันยิ้มให้ชาวเขาวร่างยักษ์ผู้นั้นพางพยักหน้าทากักทายเราดีใจที่รู้จักเจ้าขยินพวกเราทั้งหมดมาอย่างนิดเชษ ฐ, ฐาเป็นผู้ปราศัย และแงซสายก้าวเข้ามาเป็นลา่ให้แกคณะนายจ้างบุรุษหน้าเยี่ยมกว่าตามองดูเชิฐถาชัยยันและมาจับนิ่งอยู่ตรงดาลินเป็นคนสุดท้ายแล้วหัวเราะออกมาเหมือนเสียงวัวพวกนายมากับพานใหญ่เขายิมย่อมถือเสมือนแขกผู้มีเกียรติแม้ว่านายจะเป็นต้นเหตุ น, นำความวิบัติมาสู่พวกเราเราไม่ได้นำความวิบัติมาสู่พวกเจ้า ชยยานพูดก้าวๆอย่างไม่พอใจตรงข้ามเรามาเพื่อช่วยเหลือพู้เจ้าตะหากริมฝีปากหนาบนใบหน้านั้นแยะกว้างออกไปอีกเหลือบตามองไปรอบเต็นท์แล้วไปจักนิ่งอยู่ที่ร่างอันหมดสติของมุผู้นอนอยู่กับพื้นปูผ้าใบมีร่างของนางอ้วหมอบตัวสั่นอยู่แล้วตาก็ลุกโพลงขึ้นนางอั้วส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวออกมาคําหนึ่งยกมือขึ้นปิดซ่อนหน้าไว้อ ย, อย่างโลนดาน ขยินเคลื่อนเข้าไปอย่างเช่มช้าแต่ทันทีนั้นเองดาดินก็ทลันปราดเข้าขวางหน้าไว้มือแตะอยู่ที่ด้ามปืนสั้นจุดสามห้าเจดในสองข้างเอวถอยออกไปเจ้าจะแตะต้องมุหรือนางอัว้วไม่ได้เด็ดขาดหัวหน้าชาวดอยชะงักจ้องหล่อนตามไม่กระพริบแล้วหัวเราะห้าวห้าออกมาจากลําคออวบใหญ่เอียงหน้าไปทางระพินแม่หญิงผู้งามเหมือนนางไม้ผู้นี้เป็นใคร ห้าทางนางกล้าหานักบังอาจมาขวางหน้าขยินนั่นคือนายหญิงของข้าคนที่ช่วยชีวิตเจ้ามุลูกชายของเจ้าไว้จะแผลหมูขิดและพินตอบบอกให้นางหลีกไปเถิดขยินจะเข้าไปดูไอ้มุเจ้าต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่แตะต้องตัวมุเป็นอันขาดดาดินกําชับมาคงยืนเป็นจันหน้ากับขยินโดยไม่สะทกสะทานขยินให้สัญญา หน้าบ้านหลมช้างตอบมาแหบห้าวลาชสกุลสาวถอยหลังช้าๆเปิดทางให้แต่เดินไปคุมเชิงอยู่ใกล้ๆกับคนเจ็บอย่างไม่ไว้ใจนางอ้วเกาะหลังหล่อนยึดเป็นที่พึ่งหญิงสาวเอื้อมมือไปจับแขนเด็กสาวผู้น่าสงสารอันเป็นคู่รักของเจ้ามุไว้บีบเบาๆอย่างปลอบโยนทุกคนก็เดินตามเข้ามาด้วยขหยิบมาหยุดยืนอยู่เหนือร่างอันหมดสติของลูกชายซึ่งหายใจรวยๆอยู่ เขาน้านั้นเครียดน่ากลัวลิมฝีป่ากเสียออกแต่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นความสลดนิ่งขลึมอยู่เป็นเวลานานมันเก่งแต่ก็เก่งไปได้ไม่นานถ้าเป็นพ่อของมันจะไม่ถูกหมูขิดอย่างนี้เลยเสียงนั้นเ อ, อ่ยออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองแล้วก็เหนืยขึ้นมองไปยังดารินถามว่าเจ้าหมูจะตายหรือไม่ ก็เจ้าต้องการให้ลูกชายของเจ้าตายหรือไม่เล่านักมนุษยวิทยาสาวย้อนถามมาด้วยเสียงกระด้างมันควรตายที่บังอาจขัดคำสั่งของพ่อแต่มันเป็นลูกของขยินไม่มีพ่อคนไหนที่ต้องการให้ลูกตายแม้ว่ามันจะมีโทษผิดสักเพียงใดดาลินยิ้มออกมานิดหนึ่งถ้าเช่นนั้นลูกของเจ้าก็จะไม่ตายเราจะรักษาเขาให้หาย มูไม่น่าจะเกิดมาเป็นลูกของคนอย่างเจ้าเลยขยินทำไมดาลินเค้นหัวเราะมูเป็นคนกล้าหาญแต่เจ้าเป็นคนขาดตาขาวขยินตาลุกโครงยืดอกขึ้นจ้องหล่อนด้วยแววตาที่มึนทึงคำรามลั่นออกมาขยินนะลึกขาดตาขาวหญิงสาวยิ้มเยาะพยักหน้าย้ำมาอย่างไม่พั่นพืนตามนิสัยอันห้าวหาญไม่หวั่านใคร เจ้านั่นแหละขยินหัวหน้าหมู่บ้านดมช้างทุบ อ, อกตัวเองสน่นกิริยาฮึดฮัดเปี้ยวกาดแค้นเครืองละคนไปกับความพิศวงประหลาดใจครามคันฮ่าๆาไม่ว่าจะเป็นป่าล่างป่าบนไม่เคยมีใครบังอาจมาว่าขยินขาดตาขาวเลยท่านเป็นแต่เพียงหญิงร่างงามน้อยนิดเพียงแค่นี้ทำไมจึงหารมาดูหมินขยินผู้เป็นใหญ่อยู่ในป่านี้ เจ้าใหญ่แต่รูปร่างเท่านั้นขยินนักผจนภัยสาวเลือดข้นเชื้อสายราชสกุลต่อปากมาอย่างเผ็ดร้อนแต่ฝีมือหรือน้ำใจเล็กนิดเดียวใช่สิเจ้าอวดอ้าวว่าเจ้ากล้าหาญมากกล้าหาญโดยวิธีส่งผู้หญิงตัว เ, เล็กๆอันเป็นลูกบ้านของเจ้าเองออกไปเป็นเหยื่อ ง, งูยักษ์เพื่อหวังว่าตัวเจ้าจะรอดตายจากงูนั่นน่ะหรือช่างเป็นความกล้าหาญที่น่าละอายอะไรเช่นนี้ ลูกชายของเจ้าเสืออีกอุตส่าห์ติดตามออกไปเพื่อป้องกันหญิงคนนั้นจนกระทั่งตัวเองได้รับเคาะบาดเจ็บ ก, การที่คิดจะให้คนอื่นตายแทนเพื่อตัวเองได้รอดมิหนำซ้ำําคนนั้นยังเป็นเพียงผู้หญิงไม่เรียกว่าเป็นความกล้าหาญหลอกขยินแต่เป็นความขลาดตาขาวยังไม่มีอะไรเสมอเหมือนซ้ําอย่างเยี่ยมโหดอำมหิตชั่วช้ายิ่งนักขยินงงไปหน้าบูดบี้ยงตึง หันไปจ้องนางอั้วที่ยืนแอบหลังดาดินอยู่แว บ, บหนึ่งขยินไม่ได้ส่งนางอั้วออกไปเป็นเหยื่องูเพื่อจะให้ตัวเองรอดบุรุษหน้าเยี่ยมจอมโหดแห่งหลมช้างตอบมาด้วยเสียงอันดังก้องฮึดฮัดอยู่เช่นนั้นหันกลับมาดูระพินนิดหนึ่งขยินเพียงแต่ขับมันออกไปพ้นจากหมู่บ้านเพราะพ่อแม่ได้ตัวมันประพฤติผิดจนเจ้าโกรธส่งงูมาทำโทษพวกเราทั้งหมด พ่อกับแม่ของมันถูกงูเอาไปกินแล้วคืนนี้มันอยู่ต่อไปงูก็จะมาอารวาสอีกเจ้าไม่ต้องการทีน่นางอ้วอยู่ที่นี่ขยินทําตามที่เจ้าต้องการเท่านั้นเจ้าคิดเอาเองทั้งสิน้นเจ้าจะไม่ประสงค์อะไรที่ผิดทํานองคลองทำอย่างนั้นเจ้าหลงผิดไปเองโทษซัดไปให้ใหับผู้คนอื่นทำไมถึงคิดว่าเป็นความผิดของครอบครัวนางอ้วทําไมเจ้าไม่คิดบ้างว่าตัวเจ้าเองนั่นแหละ ที่เจ้าโกรธเพราะปฏิบัติตัวเป็นคนโหดร้ายอธรมหิตชอบป้นฆ่าผู้คนที่ผ่านใกล้เขตนี้เข้ามาอยู่เป็นประจำนังอ้วนไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งสิ้นไม่หนำซ้ำยังเป็นกำพาพระพ่ อ, พอแม่ตายหมดแล้วแทนที่เจ้าจะสงสารมันเจ้ากลับโหดร้ายเสือกใสขับใสไล่ส่งมันออกไปามุอันเป็นลูกชายของเจ้าไม่ตามมันออกไปมันก็ต้องตายในป่าแน่ๆเพราะมันเป็นแต่เพียงผู้หญิง ระหว่างที่ขยินอึง้งคอแข็งไปด้วยถ้อยคําของรอนดาดินก้าวเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าชี้ไปยังร่างของมุที่นอนหายใจเรื่อยอยู่แล้วเจ้าเห็นไหมลูกของเจ้าเองก็ได้รับผลแห่งความชั่วของเจ้าต้องได้รับบาดเจ็บจนเกือบถึงชีวิตเจ้าเองยังรักชีวิตของเจ้ารักลูกของเจ้าแต่ทําไมเจ้าถึงไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะรักชีวิตของเขาบ้างขยินแบกปากมองดูดาดินยังดูแคลน แล้วหัวเราะออกมาห้าวห้าผู้หญิงมักจะ ก, กล้าหาญแต่เฉพาะด้านวาจาเช่นนี้แหละขยินไม่ถือหรอกแต่ขอบอกให้รู้ไว้ด้วยว่าพวกท่านไม่ว่าจะเป็นใครเก่งกาดมาจากไหนก็ตามขยินไม่กลัวถ้าไม่ใช่พระพวกท่านมากับพลานใหญ่ที่ขยินนับถือท่านจะมายืนพูดกับขยินอย่างนี้ไม่ได้เลยบ้ไอ้หมอนี่พูดจาสาคัญถ้าทางมันล้ายกาจเอาการ ชัยยันร้องออกมาเบาๆเจ้ามาดูชาวดอยผู้โอหังอย่างขมินเต็มทนแต่เชษฐายกมือขึ้นโบกปรามน้องสาวกับสหายรักของเขาไว้เมื่อเห็นว่าการเจราจาจะก้าวออกไปสู่ความเป็นปฏิปักษ์เราขอบอกเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าเรามาที่นี่ด้วยเจตนาดีที่มีต่อพวกเจ้าทุกคนสิ่งที่เจ้าทำไปแล้วเราจะไม่พูดถึงละจงาหาทางร่วมมือการปราบงูยักษ์นั่นดีกว่าขยินเชษฐาพูดอย่างนุ่มนวล ขยินเปลี่ยนสายตามาจับที่หัวหน้าคณะท่าทางยังเต็มไปด้วยความลำพองยโสแล้วจ้องไปที่ขาอันพิการชั่วขณะของอดีตทู่ทหารบกยิ้มให้แค้นแคนไม่มีใครทำอะไรงูตัวนั้นได้หรอกมันเป็นงูเจ้าที่ขยินต้อนรับพวกท่านไม่ใช่เพราะหวังจะให้ท่านมาช่วยปราบงูให้แต่เพราะท่านมากับพรานใหญ่ผู้เป็นสหายรักของขยินฟังมันไอ้นี่มันยโสโอหังใช่เล่น มันน่าซัดให้ซักปากหรือไงชายยาันผู้เลือดร้อนพอๆกับดาลินสะบัดออกมาแต่เชื่อถาสะกิดแขนไว้กล่าวกับขยินอย่างอารมณ์เย็นต่อไปถ้าเจ้าไม่คิดว่าเจ้าจะร่วมมือกับเราได้เพราะกลัวตายก็ไม่เป็นไรเจ้ากับพวกเจ้าทุกคนหดหัวอยู่ในบ้านเฉยๆพวกเรากับพรานใหญ่จะปราบงูให้เองขยินไม่กลัวตายแต่ขยินไม่ต้องการจะสู้กับอำนาจของเจ้า เจ้านั่นตะโกนลั่นออกมาแล้วหัวเราะเยาะท่านเห็นตัวมันแล้วรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนท่านจะปราบมันได้ด้วยอะไรด้วยปืนของเราที่มีมาทั้งหมดโดยไม่ต้องอาศัยปืนของพวกเจ้าเลยเชิดขาตอบตลอดเวลาแล้วพินยืนสงบนิ่งอยู่เงียบๆฟังคณะนายจ้างของเขาเจราจาตอบโต้กับขยินตามลำพังโดยมีแง่ายเป็นสื่อกลางขยินคงมีท่าไม่เชื่อถือศรัทธาอยู่เช่นนั้น ยกมือขึ้นกอดอกแล้วก้มลงมองที่ขาของเชิดถาอีกครั้งขาท่านเป็นอะไรท่านเป็นคนพิ ก, การควรอยู่ในเมืองทําไมถึงออกเดินป่าเชิดถายิ้มเราไม่ได้เป็นคนพิ ก, การหรอกแต่เราได้รับบาดเจ็บที่ขาตอนไะท้ากับโขงไอ้แหวงระหว่างเดินทางมาที่นี่พูดถึงโขงไอ้แหวนขยินตาลุกขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นสนใจขยินได้ข่าวจากพรานใหญ่ว่าไอ้แหวงล้มแล้ว ขยินเองก็ตามมันมานานแต่ไม่เคยพบกันจังหน้าสักครั้งพานใหญ่บอกว่าพวกท่านคนใดคนหนึ่งในจำนวนสามคนนี้เป็นคนล้มมันขอให้ขยินดูตัวหน่อยว่าใครที่ฆ่าไอ้แหวงได้เจ้าอยากจะรู้นะรึว่าใครเป็นคนฆ่าไอ้แหวงชยันถามพร้อมกับหัวเราะหึ่เจ้าจะคํานับให้แก่ผู้นั้นไหมล่ะขยินยิงฟันออกมานิดหนึ่งเห็นฟันซีใหญ่ดาเป็นคราบ มองดูระหว่างเชิดถาและชัยยันเหมือนจะหาทางคเนว่าในระหว่างสองคนนี้ใครเป็นมือที่พิคาตไอ้แหว่งลงหัวของขยินไม่เคยก้มให้แกใครแต่จะขอก้มให้สักครั้งสำหรับมือที่ท่าไอ้แหวง่งถ้าเช่นนั้นก็ก้มหัวอันแสนจะยโสโง่เง่าของเจ้าลงให้ผู้หญิงคนนี้เสียด้วยโดยดีชัยยันบอกมานักแน่นพร้อมกับชี้มือไปอยังดาเรีนผู้ยืนหน้าเคร่งขึงอยู่ เพราะหมั่นไส้ในกิริยาท่าทีของขยินนับตั้งแต่เห็นก้าวเข้ามานักเกรงใหญ่ชาวดอยหันขวับไปจ้องดารินแล้วลืมตากว้างมองกลับมายังชายยันและเชื่อถ่ายอีกครั้งร้องออกมาขยินไม่เข้าใจท่านหมายความว่ายิงเอวบางคนนี้นะหรือที่ฆ่าไอแหวงไม่ต้องสงสัยหรอกขยินผู้หญิงคนนี้นี่แหละที่ยิงไอแหวงล้มลง ขยินแงหน้าขึ้นแหปาคุร้องปลึกกล้องไปทั้งเต้นตัวงอไปงอมาเหมือนจะพบกับเรื่องขบขันที่สุดเสียงนั้งดังสนัน่นหวั่นไหวราวกับฟ้าร้องทั้งแต่เกิดมาขยินก็เพิ่งได้พบกับเรื่องหน้าขันที่สุดคราวนี้แหละท่านเห็นขยินเป็นอะไรไปจึงเจตนากโกหกเช่นนี้อย่าว่าแต่ท่านจะคุยอวดว่าแม่หญิงผู้นี้เป็นคนปราบไอแหวงเลย ต่อให้ท่านคุยว่าคนใดคนหนึ่งในระหว่างท่านทั้งสองที่ปราบไอแหว่งขยินก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเองถ้าไอแหวงตายแล้วจริงก็แปลว่ามีอยู่สองคนเท่านั้นในป่านี้ที่จะปราบมันได้คือพรานใหญ่กับขยินสุดแต่ใครจะพบมันก่อนเสียงชายยันสะบดด่าไรออกมาคําหนึ่งอย่างเดือดรานดาลินหน้าแดงกล่ำตาลูกวาวมือสัน่นส่วนเชษฐาหัร้อยอย่างใจเย็นเช่นเดิม เขาไม่ได้ขุนเคืองท่าทางอันมิเชื่อถือและยเยาะเย้ยของขยินเลยตรงข้ามกลับเห็นเป็นเรื่องขบขันเพราะอ่านนิสัยของขยินได้ทะปปลุ ป, ปลุโปรงไอ้ลิงทโมนตัวนี้มาดูแคลนพวกเราเข้าให้เสี็จแล้วมิหนำซ้ำยังขยับท่าเบ่งทับเสียอีกด้วยเอาเรื่องจริงๆริๆแฮเจ้านี้ถ่าจะต้องปราบกันด้วยวิธีตัดไม้ข่มนามหรือไม่ก็เชือดคอไก่ให้ลิงดเสียแล้วชายยันพูดพร้อมกับหัเราะอย่างถอนฉิว แล้วจ้องไปทางขยินผู้ยังหัวเราะงอหายอยู่เช่นนั้นนี่แปลว่าเจ้าไม่เชื่อหัวเราะย้อนเฮาหรือขยินไม่ได้หัวเราะเยาะแต่ขยินหัวเราะด้วยความขันท่านจะคุยเรื่องฝีมือของท่านก็ได้ขยินยินดีที่จะฟังแต่ไม่ควรจะเอาผู้หญิงมาคุยเพื่อข่มขยินท่านดูหมิ่นขยินมากที่ผู้เช่นนี้ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไม่เชื่อพลานใหญ่ในเรื่องที่ไอแวงตายแล้ว เมื่อพานใหญ่บอกว่าไอ้แหวงตายแล้วขยินเชื่อแต่ไม่เชื่อว่ามันสิ้นลงด้วยมือของใครนอกจากมือของพานใหญ่เองจริงอยู่เขาบอกกับขยินว่าพวกท่านฆ่ามันขยินก็รู้ทันอยู่ว่าเขาต้องการให้ขยินยอมรับนับถือพวกท่านด้วยเพราะพวกท่านเป็นนายของเขาว่าแล้วหัวหน้าบ้านหลมช้างอัลบือชื่อก็ยืดอกขึ้นยิ้มพรายออกมาอย่างโอ้อวดภาคภูมิใจ กล่าวเสียงดังฟังชัดต่อมาว่าในป่านี้ยกเว้นจากพรานใหญ่ผู้สหายแล้วไม่มีใครจะเป็นพรานที่ใหญ่ยิ่งไปกว่าขยินไม่มีใครยิงปืนได้แม่นยำไปกว่าขยินนอกจากพรานใหญ่ขยินตามยิงไอแหว่งมานานแล้วมันคลาดกันไปทุกทีแล้วแม่หญิงเอวบางผู้นี้นะเรื่ที่ยิงไอแหว่งล้มเดีายวว่าต่ยิงช้างให้ล้มเลย แม้แต่แค่ลั่นไกลปืนออกไปก็คงจะปลิวไปตามแรงปืนเสียละมังมือปืนสาวตัวชากาดประจำคณะกัดริมสิบปากแน่นโมโหจนบอกไม่ถูกที่ถูกคนดงศพประมาทเอาซึ่งซึ่งหน้าหลอนโกลธจนกระทั่งกลายเป็นขำจ้องขยินตาเขียวปัดระพินบอกมาเบาๆสันดานของเจ้าขยินมันเป็นอย่างนี้หละครับมันเชื่อมั่นในตัวเองและจะไม่ยอมเชื่อใครเป็นอันขาดจนกว่ามันจะเห็นกับตา ถึงเวลาแล้วครับที่คุณหญิงจะต้องเชื่อ์คอไก่ให้เจ้าลิงตัวนี้ดูอย่างคุณชยันว่ามันจะได้นับถื อ, อยังเฟรย์คุณหญิงตลอดไปเอาเลยครับแสดงให้มันเห็นสินหน่อยได้โอกาสแล้วเอาเลยครับนายหญิงยินเด็บหนวดมันออกมาทีละเส้นเลยมันจะได้เห็นลทธิ์เสียบ้างเกิดกับบุญคําร้องเชียร์ลั่นมาดารินหัวเราะ อ, ออกมาเบาๆสะบัดเส้นผมยาวที่ลงมายุ่งอยู่ที่พวงแก้มด้านหนึ่งให้กลับเข้าที่ ก้าวออกมายืนอยู่เบื้องหน้าของขยินจนเกือบจะประชิดอาละขยินเจ้าคุยนักว่าฝีมือยิงปืนของเจ้าเป็นเลิศไหนบอกเราซิเจ้ายิงได้แม่นสักขนาดไหนนักเลงใหญ่ชาวดอยนิ่งคิดอยู่อึดใจก็บอกว่าระยะร้อยก้วลูกมาขิดเด็กนิดเดียวแขวนอยู่บนต้นขยินก็ยังยิงถูกหญิงสาวอมยิม้มยิงให้เราดูเป็นขวัญตาหน่อยได้ไหม แ้ยินหัวเราะจำานันออกมาอีกครั้งหนึ่งยังลำพองแล้วพยักหน้าโบกมือกับทุกคนเป็นสัญญาณให้ตามออกมาตนเองเดินอาจอานแบกปืนแก๊ปคู่มือโทรออกมาจากกระโจมไปก่อนดาดินก้มลงจุดปุรีแล้วหนีดจุด300ศนเวทบีไว้ในซี่อแขนตามออกมาช้าๆทุกคนก็พากันตามหลังออกไปทั้งหมดที่ลานกว้างหน้ากระโจมพักมีมะขิดใหญ่ต้นหนึ่งยืนห่างออกไปประมาณสี่สบเมตร ลูกหนึ่งห้อยเด่นอยู่โดดเดี่ยวทางกิ่งด้านซ้ายของลำต้นขยินยืดตัวเป็นสง่าหันไปมองหน้าทุกคนช้าๆและชี้ไปที่มะขี่ดรูกนั้นเห็นมะขีิดรูกนั้นหรือไม่นักเลงปืนตัวเอของคณะติดตามคนสาบสูนซ่อนยิ้มพยักหน้าเห็นขยินจะยิงให้ถูกด้วยกระสุนนัดเดียวก็ยิงสิขยินวาดปืนขึ้นไปประทับบ่าอย่างภาพภูมิ ท่ามกลางคนของฝ่ายคณะเดินทางและพวกลูกบ้านที่ร้อมดูอยู่อย่างแน่นขนัดคันแล้วปืนเพิงอันเป็นต้นตระกูลของปืนทั้งหลายเมื่อร่วมสองร้อยปีมาแล้วก็ระเบิดบุ่มขึ้นควันตลบอบอวนคลุ้งไปหมดเขยินมีฝีมือยิงปืนแม่นยำสมกับที่ได้อวดอ้างไว้เหมือนกันมอ็อกวิดอันเป็นเป้าหมายลูกนั้นแหวงกระเด็นหายไปครึ่งซี่ ซีกที่เหลือติดขั้วอันเหนียวแน่นแกว่งโตงเตงไปมาพวกบริวารของขยินเองทั้งหลายพากันโห่ขึ้นอย่างเลื่อมใสศรัทธาในฝีมือของหัวหน้าแต่พวกลูกหาบของคณะเดินทางผู้เคยชินกับฝีมือของดารินมาก่อนแล้วไม่รู้สึกทึ่งอะไรสักนิดในฝีไม้ใายมืออย่างขยินเก่งมากขยินดารินพูดยิ้มยิ้มระบายควันบุหรี่ออกทางช่องจมูก เรายังไม่เคยเห็นใครมีฝีมือยิงปืนยิ่งใหญ่ไปกว่าเจ้าเลยแม้กระทั่งผานใหญ่ขยินพูดจริงทำได้จริงไม่อ้อวดนักเรียงชาวดอยหัวเราะห้าห้าแล้วประกาศกล้องออกมายิงสาวก้มศรีษรษะลงนิดหนึ่งเอาละคราวนี้ยิงอีกทียิงอีกก็ถูกอีกใช่ต้องถูกแน่ทีเดียวสำหรับฝีมืออันยิ่งใหญ่ของเจ้าแต่คราวนี้เราไม่อยากเห็นเจ้าญิงลูกของมัน อยากจะเห็นยิงที่คั่วตัดคั่วให้ลูกมันขาดตกลงมาจากต้นโดยไม่ได้ถูกลูกหญิงสาวบอกมาหน้าตาเฉยซ่อนยิ้มไว้มิดชิดขยินอึ้องไปครู่กับพิษตาปลิบปิอย่างลังเลเอียงคอคิดชำเลืองดูหน้าหล่อนเชื่อถากับชัยยันกัดริมฝีปากก้านหัวเราะเมื่อเห็นอาการของเจ้านักเรงชาวดอยขี้โม้พวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบก็ยิ้มยิ้มกันอยู่ทุกคน ในที่สุดขยินก็เหมือนจะเสี่ยงตัดสินใจบรรจุลูกปืนนัดใหม่แล้วยกขึ้นเลงยิงอย่างปราณีตที่สุดเหนี่ยวไกลั่นตูมควันขโมงออกไปอีกปรากฏว่ามกขิดลูกที่แหวงอยู่ครึ่งหนึ่งนั้นไม่ได้สะดุง้งสะเทือนอะไรเลยขยินหน้าเสียเล็กน้อยบนรร่นพัมเกาหัวกระลากแล้วก็หันมาบอกว่าคูข่อของมันเท่าเส้นเชือกเล็กนิดเดียวใครบ้างจะยิงถูกระยะก็ห่างมาก ผู้หญิงเอวบางที่จะว่านี่ยังไงร่ะจะเด็ดขั้วมาขิดลูกนั้นให้เจ้าดูพร้อมกับพูดดารินประทับจุด300เวทบีขึ้นเสียงแผดแหลมกึกก้องออกไปและไม่ทันจะสิ้นเสียงมะขิดลูกที่ขยินยิงแหวงอยู่ก่อนคลึ่งลูกขาดจะขั่วลนตุบลงมากลิ่งอยู่บนพื้นอย่างนิ่มนวลราวกับใครเอามีดคมๆไปปาหัวหน้าบ้านหม่ช้างยืนอ้าปากค้างและเดินไม่กล่าวคาใดอีกเลย ดาลินเล็งยิงไปยังขั่วของมะขีดที่แขวนเด่นโดดเดี่ยวอีกสี่ลูกตามกิ่งด้านบนทุกครั้งที่มันลั่นออกไปแต่และลูกเหล่านั้นร่วงพลอยลงมาสู่พื้นเหมือนเป่าด้วยมวลโดยผิวไม่ได้ระคายกับลูกปืนเลยแม้แต่ลูกเดียวยิงลูกมันจะมีประโยชน์อะไรขยินระหว่างที่ขยินยังยืนตัวแข็งจังงางอยู่นั้นหล่อนหันมาบอกอย่างหน้าตายถูกลูกเวลามันหล่นลงมา เจ้าก็กินเนื้อของมันไม่ได้เพราะมันแตกกระจายไปหมดมันต้องยิงตัดที่ขั้วถึงจะได้กินเนื้อทั้งลูกขยินพูดไม่ออกได้แต่กรอกตายืนนิ่งเหมือนถูกสาให้เป็นหินไปชั่วขณะพวกบริวารที่ร้อมดูอยู่ส่งเสียงพูดกันจอกแจ๊กเล่นไปหมดอย่างตื่นเต้นประหาดใจเหลือที่จะกล่าวพากันมองจับนิ่งมายังหญิงสาวเป็นตาเดียวดารินยิ้มออกเล็กน้อย แล้วบอกให้เกิดหยิบจานดังกระสีใบหนึ่งไปส่งให้แกขยินซึ่งนักเรลงใหญ่ชาวดอยรับมาถือไว้อย่า ง, งงงงไม่รู้เรื่องตัวหล่อนเองเดินห่างขยินออกไปห้าก้าแล้วหันหน้ามาไปเชิญพยักหน้าออกคำสั่งว่าโยนจานไปนั้นขึ้นไปบนอากาศขยินโยนสิขยินกระพริบตาอยู่เช่นนั้นยกจานในมือขึ้นดูพอหล่อนเตือนอีกครั้งก็โยนรอยคว้างขึ้นไปบนอากาศเนื้อศีรษะของตอนเอง พิษตานั่นเองดาเรีนก็กระชากปืนสั้นจากซองข้างเอวขึ้นมาอยกมือหนึ่งตบปัดนกปล่อยกระสุนออกไปสนันวันไหวที่ <c oughs> ทุกคนเห็นจานใบนั้นพลิกกลางอากาศเคว้งคว้างหมุนติ้วหลายตลบแล้วหยนลงมายังพื้นเมื่อนัดสุดท้ายสึ้นเสียงลงห่างไปทางเบื้องหลังของขยินสามสี่วาเก็บขึ้นมาสิขยินแล้วดูสิว่ามีรอยกระสุนอยู่กี่นัดในจานใบที่เจ้าโยนขึ้นไปนั้น ร่อนร้องบอกมาพร้อมกับควงปืนในมืออย่างแคล้วคล่องยัดใส่ลงซองตามเดิมควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอีกตัวหนึ่งขยินเดินเชื่องเข้าไปก้มลงเก็บ จ, จานขึ้นมาดูสีหน้าอันเคยยัสรำพองบัดนี้ซีดเผือดเหลือสองนิ้วตาเหลือกโพงจานใบนั้นมีรอยกระสุนเจาะพุ่นอยู่หกนัดไม่เพียงแต่ขยินเท่านั้นแม้แต่รพินภัยวันเองก็ยืนคอแข็ง เขาเพิ่งเห็นหม่อมราชวงหญิงดาดินวราดิศปล่อยสีมือปืนของหล่อนอย่างเต็มที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งแทบจะไม่เชื่อสายตาเด็ดเลยน้อยต้องเอาให้มันเห็นซสีย อ, อย่างนี้ชายยันร้องบอกมาอย่างชอบ อ, อกชอบใจขยินบัดนี้กลายเป็นคนใบ้ไปเสียแล้วได้จะยืนกรอกหน้าอยู่เช่นนั้นจ้องมองดูหญิงสาวเหมือนจะเห็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตแล้วยิ้มออกมาแย่ ความยโสโอหังหมดสิ้นไปราวกับปลิดทิ้งหญิงสาวป้านสีหน้าเครื่องครึมจ้องประสานตาขยินแนว่วแน่ไม่กระพริบและย่างเท้าเคลื่อนใกล้เข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้ายกมือเท้าเอวผู้เสียงห้วนหนักดุดันนี่คือฝีมือของผู้หญิงเอวบางอย่างเรามันไม่เท่าไรนักหรอกขยินแต่สำหรับผู้ชายเอวหนาอีกสองคนนั้นหล่นบุ้ยปากไปทางเชษฐาและชา ย, ยันไม่ต้องพูดถึง ฝีมืออย่างเราเพียงสะเก็ดของเขาเท่านั้นเดี๋ยวนี้เจ้ายังจะคิดดูหมิ่นพวกเราอีกหรือไม่ขยินเชื่อแล้วนักเลงใหญ่ชาวดอยพูดออกมาแหบๆเหงือแตกซิกนายหญิงยิงปืนได้แม่นกว่าขยินนายหญิงจะต้องมีเวทมนต์คาถาอยู่ในรูปปืนที่ยิงออกไปจึงแม่นยำปิดธรรมดาเช่นนี้ขยินขอคำนับและขออภัยที่ได้ดูหมินไม่เชื่อมาก่อนนายหญิงอภัยให้ขยินด้วย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 จ้องดูเขาด้วยความประหลาดใจท่านพูดอะไรเช่นนี้ขวานหรือเลื่อยเท่านั้นที่จะทําให้ต้นยางต้นนั้นล้มแล้วก็กินเวลานานโข อ, อยู่ลูกปืนไม่ว่าจะกี่ร้อยนัดจะทําให้มันล้มได้อย่างไรกันมันเพียงแค่ทะลุเข้าไปฝังเป็นแผลเล็กนิดเดียวเท่านั้นยิงกี่ทีต้นยางต้นนั้นขาดเจ้าคิดว่าปืนกระบอกนี้พอจะปราบงูยักษ์ของเจ้าลงได้หรือไม่เชษฐาพูดขึงขัง ขยินหน้าตื่นเลิกลากหันไปจ้องปืนในมือชายยันอีกครั้งถ้าปืนกระบอกนี้ยิงต้นยางได้ขาด จ, จริงอย่างท่านว่าขยินก็เชื่อว่างูตัวนั้นต้องตายแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเอาละ่ะเจ้าและพวกของเจ้าจะได้เห็นชัดออกไปเดี๋ยวนี้หัวหน้าคณะหลี่ตาเป็นความหมายกับชัยยานันอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะหึ่ยอยู่ในราคอกระชากลูกเลือนส่งกระสุนขึ้นลําแล้วก้าวออกมายืนเด่น ทุกคนหลีกจากทางเบื้องหน้าของเขาไิหลบอยู่ทางด้านหลังขยินเข้ามายืนคอยจ้องดูอยู่ข้างๆอย่างสนใจพระพิสโกนส่งภาษาไล่พวกลูกบ้านที่มายืนมุงออกอยู่ทางด้านหน้าให้เลี่ยงออกไปพ้นวิถีพร้อมกับกระซิบบอกชายยันมาว่าเริงให้ปะนีหน่อยนะครับวางกระสุนให้ได้เป็นแนวระดับเดียวกันอย่าให้นัดไหนพลาดจากระดับไปผมว่าแค่สี่นัด ก, ก็โค้นแล้วอย่าให้ขายหน้าไอลิงธโมนี่ล่ะ เรากำลังจะทำให้มันเชื่อเราอยู่แล้วดารินบอกมาเบาๆอีกคนหนึ่งเอชักไม่แน่ใจเหมือนกันแท้เรามันมือปืนขยะเสีด้วยแล้วมันเรื่องอะไรที่หมายชั้นยิงความจริงควรจะให้รัพพินเชษฐาหรือไม่ก็น้อยนั่นแหละชายยันโบนมาชะงักไปนิดหนึ่งอย่างรังเลเพื่อนสาวก็บอกมาว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะให้ผานใหญ่ยิงเพราะพวกนี้เลื่อมสายศรัทธาเขาอยู่ก่อนแล้ว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 เป้าหมายแรกคือริมสุดของลําต้นด้านซ้ายแล้วเสียงของมันก็แผ่สะเทือนเลื่อนลั่นราวฟ้าผ่าไปตลอดทั้งบริเวณหมู่บ้านและขุนเขาที่ล้อมรอบอยู่ลิงข้างบางชนีส่งเสียงร้่นขึ้นอย่างตกใจกำปนาตของเสียงก็ดีแรงอัดของอากาศที่มันระเบิดออกไปก็ดีทําให้ขยีนผู้ยืนเท้าเออยู่ใกล้ๆอย่างชาราใจถึงกับพงังอะออกมาสองสาก้าวที่หูร่วงกราว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 ต้นยางสะถานไปทั้งต้นมองเห็นถนัดราวถูกซูงขนาดใหญ่กระทุง้งนัดที่สามและสี่เรียงเข้ามาระดับเดียวกันอีกอย่างแม่นยำประกอบกับที่ลมกันโชคปรากฏเสียงลั่นเปรี้ยพอชายยันกระชากปลอกซองนัดสุดท้ายออกเขาก็ไม่จําเป็นต้องประจุเพื่อยิงใหม่อีกแล้วเพราะมันลั่นสนันวันไหวขึ้นได้แรงลมช่วยหักโค้นคืนลงไปกับพื้นทางเบื้องหลังทับหมูไม้เลื้อยแกรบวินาศ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 นายหญิงจะเอาคำมั่นสัญญาอะไรเมื่อเราปราบงูตัวนั้นลงได้สำเร็จเจ้าจะต้องยอมให้มุลูกชายของเจ้าได้อยู่กินกันกับนางอั้วอันเป็นคนรักของมันอย่างมีความสุขอย่าได้ขัดขวางกีดกันอีกเป็นนันขาดและให้ทั้งสองอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปที่แล้วมาเจ้าทำผิดมากรู้ไหมขยิมขยิมยิ้มแค่นๆออกมาอีกนิดหนึ่งหลบตาหลดลงพื้นแล้วชเมเลืองไปทางพรานใหญ่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 เห็นทีขยินกับมูเรที่รักกันมานานจะต้องแต่ความเป็นสหายการเสียในครั้งนี้ก็เพราะเจ้ามุเป็นต้นเหตุอย่างนั้นเจ้าก็รับลูกสาวของมูเรมาเป็นเมียเสียเองสิบุญคาผู้คุ้นเคยกันดีกับขยินสอดพร่องขึ้นมาทำให้ทุกคนต้องหัวเราะยกเว้นขยินผู้หันไปมองพ่านเท่าแห่งเขาอึมครึมด้วยสายตาคุนคุนขยินทาอย่างนั้นไม่ได้ขยินไม่เหมือนแกแตาเท่าบุญคา แกมีเนียเด็กๆคราวเดียวกันได้หลายคนคําตอบของขยิง่งเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนให้ดังยิ่งขึ้นด้วยความขบขันคลึกอคลื้นบุญคาสะบท ด, ด่าอุบิบแล้วเงียบไปไม่เอ่ยอะไรออกมาอีกเพราะเสียท่าเข้าตัวเองเพื่อตัดความกังวลใจของ ข, องขยิ่งให้หมดสิ้นไปแล้วพิงจึงเข้ามาตบไหล่บอวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าลูกชายของเจ้ารักให้กับหนังอั้ววไม่ได้รักลูกสาวของมูเร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 ถ้าเช่นนั้นขยินก็จะปฏิบัติตามขยินให้สัญญาเสือเท่าขยินผู้บัดนี้เชื่องเหมือนลูกแมวยอมรับคำอย่างว่าง่ายคณะนายจ้างทั้งสามพากันยิ้มออกมาได้อย่างโร่งใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างตกลงกันได้ไปในทางดีเกินคาดแล้วผินหันไปทางกลุ่มนายจ้างสบายใจได้แล้วครับพวกนี้ป่าเถื่อนก็จริงแต่รักษาคาพูดยิ่งกว่าคนจเจริญเสียอีก ลงให้สัญญาตกมากรับคำแล้วเช่นนี้จะไม่มีคืนคำหรือมีเล่บิดพิวเป็นอันขาดต้องเล่นจิตวิทยากาันเสียแทบแย่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณ น, นั่นแหละเป็นหลักใหญ่ถ้าขยินไม่เลื่อมใสคุณเสียคนเดียวเราคงไม่มีโอกาสได้ทําความเข้าใจอะไรกับเจ้านี่ได้เลยอย่างมากก็รบกันเท่านั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่กระซิบมาขยิงถามถึงอาการของมุลูกชายอีกครั้งหนึ่ง สอให้เห็นชัดว่าสัญชาติยานเป็นห่วงระหว่างพ่อกับลูกยังคงมีอยู่โดยรึกซึ้งแม้ว่าอาการภายนอกจะโกรธแค้นชิงชังสักเพียงใดก็ตามดารินให้คำมั่นสัญญาเจ้ามุจะต้องมีชีวิตรอดปลอดภัยจากบาดแผลชกการภายในมิชานี้โดยการรักษาอย่างสุดฝีมือของรอนแต่ยังไม่ยอมมอบตัวมุให้แกข่ขยินไปตามที่บิดาของคนเจ็บขอมาอาการของมุยังอยู่ในเขตอันตราย หล่อนบอด้วยน้ำเสียงปลานีแต่ก็แฝงไว้ด้วยแววเฉียบขาดมีอำนาจเรายังมอบตัวมูให้แก่เจ้าไปไม่ได้แม้เจ้าจะสัญญาแล้วว่าไม่ทำอะไรเขาก็ตามเขาจะต้องได้รับการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดจากเราที่นี่จนกว่าจะแข็งแรงขึ้นเจ้าจะมาดูแลเยี่ยมเ ย, ยนลูกของเจ้าได้ทุกเวลาที่ต้องการเราไม่หวงห้ามขยินได้ยินท้อยคำของหล่อนดังนั้นก็ไปยักหน้ารับโดยสงบ ไม่มีปฏิกิริยาเช่นไรอีกจากนั้นเชษฐาก็สั่งให้ระพินมอบสิ่งของที่ตัดเตรียมมาสำหรับเป็นของกำนันให้แก่ขยินมีเกลือสมุดสองกระสอบใหญ่เนื้อสัตว์ย่างรมควันที่ยิงได้ระหว่างทางสองเกวียนเต็มๆรวมทั้งหนังและเขาดินดำสำหรับเชื้อปะทุปืนเพลิงรวมทั้งตะกั่วที่จะใช้หลอมทาลูกกระสุนซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าขยิงจะตื่นเต้นยินดีสักเพียงไร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 แล้วระพินก็กระโดดขึ้นไปยืนเคียงข้างขยินตะโกนพูดกับพวกลูกบ้านเหล่านั้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับอึงคันหนึง่งจริงอย่างที่บุญคำบอกไว้ระพินเป็นขวัญใจของพวกชาวป่าชาวเขาทุกชมรมทีเดียวเชิาพึมพำรรออกมาอย่างปราโมดท่อสายตาจับไปยังร่างพรานนำทางของเขาด้วยความภาคภูมิใจนี่าให้มีการโหวตเสียงเลือกตั้งกันขึ้นแล้วก็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 หญิงสาวยักไหลอีกครั้งเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับคำพูดของพี่ชายแต่ดวงตาเป็นประกายชื่นชมจับนิ่งไปยังเบื้องหลังของร่างที่ยืนเคียงข้างขยินอยู่นั้นพร้อมกับยิ้มน้อยๆเ ย, ย็นนั้นคณะในจ้างทุกคนก็พากันออกเดินเที่ยวเยี่ยมเยือนไปตลอดทั้งหมู่บ้านหนมช้างด้วยความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในบ้านของตนเองโดยมีขยินเป็นผู้พาเชฐาใช้ไม้ยันเดินขยกร่วมมาด้วย ผู้ที่เดินรวมกลุ่มอยู่ด้วยยกเว้นจากฝ่ายนายจ้างทั้งสามก็มีเพียงพรานใหญ่และแง่ทรายอันบัดนี้ทาหน้าที่เป็นองครักษ์ประจำตัวเชิฐารวมทั้งเป็นร่ามไปในตัวก่อนจะขึ้นไปนเรือนของขยินตามคำเชิญทุกคนมาหยุดยืนนิ่งอยู่ที่ใต้ต้นตะแบกหน้าร้านบ้านที่นั่นมีเกวียนคันหนึ่งจอดทิ้งอยู่ต่างเงียบงันกันไปชั่วขณะเมื่อได้รับการบอกเล่าจากขยินว่านี่ยังไงนาย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 เราเพียงแต่จะมาเยี่ยมและคุยกับเจ้าบนเรือนนี้เท่านั้นเราจะกลับไปกินอาหารของเราเองที่ค่ายพักกันนั้นก็ตามขยินก็ยังไม่ไหวที่จะส่งไห้เล็กบรรจุเล้าต้มเองมาให้และเพื่อไม่ให้เสียไมตรีเชษฐากับชายยันยกขึ้นจิบเพียงเล็กน้อยการสนทนาสอบซักในเรื่องของชดประชากรก็เริ่มขึ้นขยินเพิ่งจะมาสราบเอาเดี๋ยนี้เองว่า คณะจากพระนครทั้งสามเป็นพี่น้องและมิตรของบุรุษผู้นั้นเดินทางมาก็เพื่อจะออกติดตามค้นหาหัวหน้าบ้านหลมช้างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและคนประหลาดใจขยินเพิ่งจะนึกออกเดี๋ยนี้เองนักเลงชาวโดยอุทานขณะที่จ้องพินิษไปอย่างเชิฐถาชายผู้นั้นมีเข้าหน้าเหมือนท่านผู้นี้มากรูปร่างก็สูงตามไล่เลียกกันเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นพี่น้อง เชิดฐาพยักหน้ารับใช่น้องชายของเราและพี่ชายของนายหญิงคนนี้เพื่อนรักของคนที่จริงต้นยางขาดให้เจ้าเห็นนั่นเขายิ่นครางอะไรออกมาในราคอเหลือกมองดาลินและชายยันอีกครั้งแล้วยิ้มกว้างเขายินเพิ่งรู้เขายินชอบชายผู้นั้นมากเขาเป็นคนดีกล้าหาญและมีสีมือเขามากับหนานอิน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 เรื่องนี้เมื่อเกือบปีมาแล้วพรานใหญ่ได้ผ่านมาทางนี้และได้ถามขยินทีหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือขยินยังจําได้จอมพรานก้มหน้ารับใช่เราเคยมาถามเจ้าแล้วในครั้งหนึ่งหลังจากทั้งสองคนนี้ออกจากกลมช้างไปได้ประมาณสักสามเดือนความจริงเราพบทั้งสองคนนั้นที่โป่งกทิงก่อนหน้าเขาจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านของเจ้านี่พรานใหญ่พบเขาที่โป่งกระทิง เขาบอกท่านหรือเปล่าว่าเขาจะมุ่งหน้าไปไหนเขาบอกเราเหมือนเช่นที่บอกเจ้า น, นั่นแหละขยินและเราก็ได้ห้ามเขาไว้แล้วเหมือนกันแต่เขาไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เราผ่านมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็เพื่อจะนำเจ้านายทั้งสามตามคนที่ชื่อชดกับนานอินนั่นแหละโอขยินครางสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วก็นิ่งเฉยชายยันก็ถามมาว่าหลังจากนั้นแล้ว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 ที่เห็นมันมากับคณะเจ้านายและเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ที่นี่ด้วยว่าแล้วก็หัวเราะห้าวห้าตามองไปอย่างแง่ทรายจ้าหมายถึงแง่ทรายผู้นี้กระมังด่าดิงชี้ไปที่คนใช้ชาวโดงของรอนไอคนนี้แหละนายหญิงแง่ทรายก็ยิ้มแล้วตอบคําขยินไปว่าใช่แล้วขยินข้าได้ออกติดตามคนทั้งสองไปเพื่อจะขอสมทกไปกับเขาด้วย และก่อนไปก็ได้มาสอบถามข่าววจากเจ้าที่นี่แต่ข้าตามทั้งสองคนไม่พบเขาป่วยระหว่างทางที่ติดตามรอดชีวิตมาได้ข้าก็ถอยกลับพอดีได้ข่าวเจ้านายจะออกติดตามคนทั้งสองนั่นประกาศหาคนสมัครไปรูกหาบข้าก็ไปสมัครเจ้าจึงเห็นข้าติดตามมาด้วยนี่แหละชายร่างใหญ่หน้าเหี้ยมพยักหน้าอย่างเข้าใจหันไปทางคณะผจญภัยชาวพระนครตามสองคนนั่นไปก็ไม่มีประโยชน์ใดหรอก เชื่อขยินเธอะขยินเตือนด้วยความหวังดีทําไมชายยันขมวดคิว้วกระชากเสียงมาคุนๆขยินหัวเราะเสียงลึกพูดมาตรงๆ ต, ตามภาษาคนดงว่าพวกท่านจะต้องเสียเวลาเปล่าและจะต้องได้รับเขคข้อรำเหมือนทั้งสองคนนั่นเหมือนอีกหลายๆคนที่เคยพยายามมาก่อนหน้านั้นแล้วหนทางไปสู่เทือกเขาพัศิวะคือแดนมรณะที่ไม่เคยมีใครเคยรอดชีวิตกลับมาได้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 ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าตามที่เจ้าได้ใครๆใ่พาการทวงเราแต่เราก็จะไม่เลืกล้มความตั้งใจแบบนันขาดเราจะต้องออกตามเขาไปเพื่อให้พบหรือมิฉนั้นก็ให้รู้แน่เห็นชัดกับตาว่าเขาหาชีวิตไปแล้วนั่นคือจุดประสงค์ของเราที่ออกเดินทางมาในครั้งนี้ฉายร่างยักษ์จ้องหน้าคณะระจนภัยทั้งสามไปทีละคนอีกครั้งอย่างพินิ เขาหน้าของหัวหน้าบ้านเต็มไปด้วยความพิตกกังวลแทนท่านทั้งสามเป็นคนกล้าหาญและมีใจอันหนักแน่นมั่นคงมากขยีนขอคารวะน้ำใจแล้วหันไปทางระพินพรานใหญ่จะนำทางให้แก่ท่านทั้งสามนี้หรือถูกแล้วเรารับจ้างท่านทั้งสามนี้มาเพื่อการนำทางครั้งนี้ขย่นถอนใจลึกพึมพำ ท่านเป็นจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ท่านรู้จักป่าเขาลำนำภัยไปทั่วทุกแห่งท่านย่อมรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในหนทางมหาวิบาศกเบื้องหน้าเหตุใดท่านจึงไม่ทักทวงท่านทั้งสามเหล่านี้ไว้แล้วผินยิ้มยกไห่เหล้าขึ้นดื่มอย่างเป็นกันเองกับนักเกลงชาวดอยเมื่อเราได้รับค่าจ้างที่เราพอใจหน้าที่ของเราก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ไม่ว่าตัวเราเองจะต้องตายขยินยกมือขึ้นรูปคางพยักหน้าช้าๆขยินรู้ดีเลือดของท่านค้นยิ่งนักแล้วเจ้าล่ะจะไปกับคณะเจ้านายด้วยใช่หรือไม่ประโยคหลังหันไปถามแง่ทรายหนุ่มชาวดวงพเนจรก้มศรีรษะลงอย่างสงบโดยมิกล่าวคำใดขยินก็พูดเหมือนรำพึงว่าเจ้าได้พยายามมาครั้งหนึ่งแล้วและข่าวนี้ก็พยายามอีก ข้าคุ้นหน้าเจ้ามานานแงาสายแต่ไม่รู้แหล่งที่มาของเจ้าเลยํำลํำพึ่งเบาๆเหมือนจะพูดกับตนเองของขยินเช่นนี้ทาให้ขยินชำเรืองไปทางหนุ่มพเนจรผู้ลึ ก, กลับก็เห็นแงาสายยิ้มเฉยอยู่ขณะนายเจ้าไม่รู้ความในอะไรในเรื่องนี้เพราะคำพูดของขยินไม่มีใครแปลให้ฟังเจ้าเป็นนายบ้านอยู่ที่นี่มานานนอกจากคนที่เรากาลังจะติดตามมา น, นี้แล้ว ยังมีใครบุกดงเพื่อมุ่งไปเทือกเขาพัศิวะโดยผ่านทางหล่มช้างนี้อีกบ้างหรือไม่คำถามอย่างเป็นกิจลักษณะอันเป็นการสอบสวนมาจากหัวหน้าคณะขยินนั่งขัดสมาธิเอเตดูดบุรีนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็บอกมาว่าหลายสิบปีมาแล้วเมื่อขยินเป็นนายบ้านมีคนขาวคณะหนึ่งมาจากพมา่าผ่านที่นี่มุ่งเข้าไปในดงดิบนรกดา ตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งวันนี้ขยินไม่เห็นคนขาวคณะนั้นโผล่กลับออกมาอีกคำว่าคนขาวของขยินย่อมหมายถึงพวกฝรั่งนั่นเองซึ่งทุกคนพอจะเข้าใจได้ดีหลังจากนั้นแล้วไม่มีใครผ่านเข้าไปในดงดิบนั่นอีกหรือไม่มีอีกเลยจนกระทั่งสองคนนั่นไปเมื่อปีก่อนเจ้าพอจะรู้จุดประสงค์ของพวกคนขาวคณะนั้นหรือไม่ ว่าเขาจะมุ่งฝ่าดงดิบนรกดําไปเพื่ออะไรขยินไม่รู้แต่พ่อบอกว่าคนขาวจะไปตรวจป่ามาติดต่อกับพ่อจ้างลูกหาบที่นี่แต่ไม่มีพวกกล่มช้างคนใดยอมไปด้วยเพราะรู้อยู่แล้วว่าไปแล้วไม่ได้กลับพวกนั้นจึงไปกันเองคนขาวผมแดงสามคนพม่าอีกสองคนแล้วมีพรานนําทางเป็นขยินรวมเป็นหกคนเดี๋ยวนี้คงกลายเป็นกระดูกกองอยู่ในดงนั่นเอง แล้วเจ้ารู้จุด ป, ประสงค์ของชดกับนานอินหรือเปล่าเขาจะไปไหนเพื่ออะไรชยันถามมาแบบอย่างเสียงขยินรู้แต่เพียงเขาจะมุ่งไปเทือกเขาพระศิวะมรกตนครเมืองในหมอกที่นั่นมีขุมเพชรมหาศาลขายินไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่พ่อของพ่อของพ่อบอกกันต่อต่อมาอเช่นนั้นขยินเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแต่ไม่เคยรู้ว่ามีใครไปถึงและกลับมาเล่าให้ฟังได้เจ้าเองล่ะ ไม่เคยท่องเที่ยวเข้าไปในนรกดำบ้างเลยหรือถิ่นที่อยู่ของเจ้าก็ใกล้เคียงแค่นี้เองขยินชำเลืองไปทางระพินเคยเข้าไปเหมือนกันไปกับพรานใหญ่ระยะเดินเพียงไม่เกินวันเดียวป่าทึบแทบไม่มีทางเดินชื้นแฉะเต็มไปด้วยไข่ป่าและพูดผีปีศาจไม่มีใครผ่านเข้าไปในนรกดำได้ลึกเกินไปกว่าที่ขยินกับพรานใหญ่ลองเที่ยวเข้าไปแล้วมีชีวิตรอดกลับมาได้หรอ มีสิดาินอดที่จะขัดคอขี้โมแห่งหล่มช้างไม่ได้บุยปากไปทางแง่ทรายก็แง่ทรายที่นั่งอยู่นี่งยังไงล่ะเจ้ากับพรานใหญ่เคยไปด้วยกันเพียงช่วระยะเดินไม่เกินวันเดียวแต่แง่ทรายตามชดกับนานอินเข้าไปถึงเจ็ดวันเขาต้องเดินเข้าไปลึกกว่าที่ขยินเข้าไปแล้วแน่ๆขยินยิ้มเจื่ญเจมองหน้าแง่ทรายจริงเหรอแง่ทรายไม่ตอบ แต่ระพินตอบแทนให้ว่าจริงขยินแง้ า, ายเข้าไปลึกจนพบกับตะขาบตัวเท่าฝากระดานเรือนเพราะฉะนั้นงูยักษ์ที่มารังควานหมู่บ้านเจ้าต้องไม่ใช่งูที่เกิดขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแน่ๆสัตว์ใหญ่ๆมันมีอยู่ในนรกดำงูตัวนั้นจะต้องออกมาจากดงดิบนั่นแหละเขาถือโอกาสปลอบใจขยินเรื่องงูยักษ์ไปใ้ตัวเจ้าเข้าไปแล้วขากลับออกมาทางไหน ค้าไม่เห็นเลยเห็นแต่ตอนที่เข้าไปจอมนักเลงชาวดอยซักต่อมาอย่างสนใจข้ากลับออกมาทางห้วยเสือร้องไม่ได้ผ่านทางนี้หรอกแง่ท า, ายตอโชคดีมากที่เจ้ายังมีชีวิตรอดกลับมาได้ขยินพึมพำแล้วมองไปทางเชี่ยวถนพวกท่านว่าจะปราบงูยักษ์ให้ขยินแต่ท่านก็มีประสงค์ที่จะออกเดินทางไป เจ้าไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นหรอกขยินเชษฐาตอบพลางยิ้มแม้ว่าเราจะมีจุด ป, ประสงค์สำคัญในการติดตามคนคนนั้นเราก็จะไม่ไปจากที่นี่เป็นอันขาดจนกว่าเราจะฆ่างูยักษ์ตัวนั้นลงได้สำเร็จทั้งหมดนั่งสนทนาอยู่กับนายบ้านอีกครู่ก็พากันกลับมาที่แคมป์ค่ำคืนนั้นคณะนายจ้างรับประทานอาหารอยู่ในเต็นท์กันตามพําพังแล้วพิน ห, หายหน้าไป โดยให้คนเข้ามาบอกว่าเขาจะไปร่วมวงกับขยินและพวกหล่มช้างทั้งหลายพรานใหญ่โผล่เข้ามาในเต็นท์เวลาประมาณสองทุ่มเศษขณะนั้นคณะนายจ้างกําลังดื่มบรั่นดีและกาแฟหลังอาหารกันอยู่จึงเข้าร่วมวงด้วยเราจะต้องอยู่ที่นี่อีกหลายวันเขาบอกขณะที่รับถ้วยกาแฟมาจากชัยยันพรุ่งนี้ขยินจะเกณฑ์คนมาปลูกบ้านหลังใหญ่ให้ที่นี่คงจะสบายกว่านอนกลางดินกินกลางทรายอย่างที่แล้วมา คณะนานยจ้างทั้งสามพากันยินดีในข่าวนั้นก็ดีนะสิเราอาจจะต้องพักอยู่ที่นี่เป็นเดือนเกี่ยวกับพักฟื้นเรื่องฐาของเชธธิฐากับไอ้งูเจ้กรรมตัวนั้นควรจะจัดหาที่อยู่ถาวอนให้สบายสักหน่อย wa, ชายาันว่าเชษฐาสูบกล้องพ่นควนันช้าๆแล้วก็เอ่ยขึ้นเป็นงานเป็นการว่าระพินเดี๋ยนี้เราได้มาถึงหล่มช้างเรียบร้อยแล้วตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับพวกลูกหา เป็นอันว่าหน้าที่ของพวกนั้นหมดสิ้นลงเพียงแค่นี้เราจะปล่อยให้เดินทางกลับได้พรุ่งนี้ถ้าพวกเขาต้องการหรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรพลานใหญ่นิ่งไปครู่เดินไปที่หน้าประตูกระจมพักมองออกไปยังกลุ่มพวกลูกหาบที่นั่งนอนจับกลุ่มสนทนากันอยู่ริมกองไฟตามปกติแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากรณีที่เกิดเหตงูยักษ์มาอนรวาดป้วนเปียนอยู่ในเขต่มช้าง จะทําให้พวกนั้นกล้าเดินทางกลับกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเรียกหัวหน้าเข้ามาสอบถามดูว่าแล้วเขาก็สั่งให้แงซายไปตามนายเมยเข้ามานิเต้นแล้วพูดกับหัวหน้าลุกหาบต่อหน้าคณะนายจ้างที่นั่งฟังอยู่ด้วยหน้าที่ของนายเมย์กับลูกหาบทั้งหมดหมดสิ้นลงแค่นี้ตามข้อตกลงจ้างถ้าอยากจะกลับพรุ่งนี้ก็กลับกันได้เลยนายเมย์ อ, อึ้งไปครู่แล้วยิ้มออกมาแห้งแรงพวกผมคิดถึงลูกเมีย อยากจะกลับกันให้เร็วที่สุดเมื่อหมดงานแรกก็คิดว่าระยะทางจากหล่มช้างไปกลับคงไม่เกิน2ี่สิบวันแต่ก็ต้องเสียเวลาไปผิดกำหนดที่คิดกันไว้มากมิหนำซ้ำพวกผมยังถึงชีวิตล้มตายกันไปถึงเจคนกว่าจะถึงหล่มช้างมากันส6บคนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่9คนเท่านั้นเองข้อนั้นฉันเห็นใจแล้วก็ได้ลั่นปากไว้แล้วว่า ลูกหาบคนใดก็ตามที่เสียชีวิตในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ฉันยินดีที่จะจ่ายค่าทำขวัญให้แก่ลูกเมียเป็นพิเศษฉันเห็นจะให้นายเมยอถือจดหมายของฉันไปหาคุณอัมพลเขาแล้วขอรับเงินกันได้ที่นั่นหัวหน้าคณะบอกมาอย่างปลอบใจนายเมย์ยกมือไหว้ท่วมหัวเป็นความการุณาอย่างสูงของนายใหญ่แต่พวกผมยังไม่กล้าออกเดินทางจากกล่มช้างในระยะนี้ ขืนออกจากหล่มช้างกันไปตามลำพังก็อาจกลับไปไม่ถึงบ้านสักคนเดียวทั้งสามเข้าใจความหมายของนายเมยอได้ดีมองหัวหน้าลูกหาบยางเห็นใจอย่าว่าแต่พวกลูกหาบที่มีอาวุธเพียงปืนแก๊ ก, กับปืนลูกซองล้าสมัยกันไม่กี่กระบอกที่จะต้องหวาดหวั่นพันพึงต่อเจ้าอสูรผู้ป่าจากตีนตัวนั้นแม้แต่คณะผจนภัยผู้มีอาวุธอนุภาพสูงก็ยังรับว่าเป็นปัญหาหนักใจอยู่ในขณะนี้ เกี่ยวกับเจ้างูยักษ์ตัวนั้นการเดินทางออกจากกรมช้างไปกันตามลําพังเพื่อมุ่งหน้ากลับหนองน้ําแห้งในภาวะเช่นนี้ก็เท่ากับส่งลูกหาบทั้ง9้าคนให้เข้าไปอยู่ในป่าของพญางูตัวนั้นนั่นเองหากว่ามันรู้เชิงดักรออยู่เรารู้ว่านายเมยหมายถึงอะไรดารินเอ่ยขึ้นน้ําเสียงตราณีที่เรียกเข้ามานี่ไม่ใช่ว่าจะเสือกสายไล่ส่งให้กลับกัน แต่เห็นว่าหมดหน้าที่ตามสัญญาแล้วก็เลยบอกให้รู้ถ้าคิดว่าจะพากันกลับไปได้โดยปลอดภัยเราก็พร้อมที่จะให้ไปได้แต่ถ้ารู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็จงอยู่กับพวกเราต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนจนกว่าเราจะจัดการกับงูตัวนั้นราบคาบลงแม้จะหมดหน้าที่ไปแล้วก็ตามแต่เรายังถืออยู่เสมอว่าพวกของนายมือทั้งหมดเป็นคนของเราที่จะต้องดูแลให้ความปลอดภัยพวกผมปรึกษากันก่อนแล้วครับเรื่องนี้ เอาอย่างนายหญิงว่าก็แล้วกันพวกผมจะอยู่รับใช้เจ้านายที่นี่ต่อไปก่อนจนกว่างูตัวนั้นจะตายนายเมยบอกอ่ อ, อยๆชายยันพยักหน้าเข้ามาตบไหล่หัวหน้ารูกหาบตกลงเป็นอันว่าเรื่องนี้หมดปัญหาไปได้อันที่จริงเราก็ไม่ต้องการให้พวกนายเมยอกลับไปในแระยนี้หรอกเพราะมันเสี่ยงมากแต่ก็ต้องเรียกเข้ามาถามความสมัครใจดูซสก่อนร่วมชีวิตบุกบั่นกันมาจนกระทั่งถึงลมช้างนี่ มันทำให้เรามีความรู้สึกต่อพวกนายเมยทั้งหมดเหมือนส่วนประกอบในร่างกายของเราเองไม่ได้คิดว่าเป็นลูกจ้างลูกหาบอะไรเลยนอกจากพี่น้องยังเสียดายอยู่ว่าเราต้องมาแยกจากกันที่หล่มช้างนี่หวัวหน้าลูกหาบยกมือไหว้อีกครั้งพวกผมก็เคารพนับถือเจ้านายทั้งหลายเหมือนพ่อแม่อยากจะตามไปรับใช้จนถึงที่สุดแต่ทุกคนมีบ้านมีลูกเมียรอคอยอยู่ข้างหลัง เราเข้าใจดีและไม่ต้องการให้นายมือกับผู้ต้องมาพลอยลำบากกับเราด้วยหรอกเท่าที่มาด้วยกันแค่นี้ก็นับว่าดีแล้วเอาเธอะอยู่ช่วยกันปราบงูยักษ์ตัวนั้นซะก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านได้ไม่ต้องกังวลอะไรอีกเชษฐาพูดอย่างเห็นอกเห็นใจเมื่อหัวหน้ารูหาบกลับออกไปจากกระโจมแล้วลัฐผินก็ซุดตัวรงนั่งบนลังใบหนึ่งเขาเห็นหนางอัว้วนอนขดตัวอยู่ที่ข้างๆร่างของเจ้าหมุ ใกล้กับเตียงสนามของดาลินคู่รักหนุ่มสาวทั้งสองอยู่ในความอุปการะดูแลของนักมนุษยวิทยาคนสวยโดยไม่มีอะไรจะต้องห่วงปัญหาในขณะนี้มันไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากเจ้าอสูรดึกดำบันตัวนั้นตัวเดียวเท่านั้นที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยลงไปก่อนการเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่มันเป็นภาระที่เกิดขึ้นชนิดที่ดูเหมือนจะไม่มีการสิ้นสุดอย่างไรก็ตาม สังเกตดูคณะนายจ้าของเขาไม่มีใครท้อถอยนอกจากจะหาทางแก้ไขมันให้ร่ร่วงไปเป็นเปราะๆอย่างนักผจนภัยเลือดข้นวิกฤตการณ์ใดๆก็ตามที่มันอุบัติขึ้นล้วนเป็นเครื่องส่งเสริมจันโลงพลังต่อสู้ของบุคคลทั้งสามให้เด็ดเดียวทรหดขึ้นไปทุกขณะไม่ว่าจะเป็นเชิฐถาหัวหน้าคณะผู้พิการชั่วขณะชั ย, ยันอดีตนายทหารหนุ่มผูกก้กล้าแกร่งผิดไปจากนิสัยขี้เล่นภายนอก และดารินราชสะกุลสาวสวยผู้มีน้ำใจฝีมือเป็นตรงข้ามกับรูปโฉมราวกับว่าพระเจ้าสร้างเพศของหล่อนมาผิดเดี๋ยวนี้เรากำลังมาประจันหน้ากับปัญหาลักษณะเดียวกันกับเมื่อข่าวไอ้แว่งผู้พูดคือชายยันเอนตัวลงนอนผ้าเตียงสนามมองขึ้นไปจับอยู่เพลดานกระโจมถ้าโชคเข้าข้างเราเราก็ควรจะปราบงูยักษ์ตัวนั้นลงได้สาเร็จก่อนขาของเชีาจะหายสนิท ซึ่งหลังจากนั้นก็จะได้ออกเดินทางกันต่อไปโดยไม่เสียเวลาแต่มันก็เป็นความหวังที่กำหนดแน่นอนลงไปไม่ได้เลยมันจะต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่สำหรับไอ้งูตัวนั้นอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้รับปากับขยินไว้แล้วว่าจะจัดการกับงูตัวนั้นลงไปให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางสมมติว่าอีกสักเดือนหนึ่งแผลของเช่าถาหายดีพร้อมที่ออกเดินทางกันได้ งูตัวนั้นก็ยังไม่โผล่เข้ามาให้เห็นเราไม่ต้องเสียเวลาร อ, อคอยตามที่รับปากไว้หรือคําพูดของชัยยันทําให้ทุกคนตกอยู่ในห่วงคิดหนักก็น่าหนักใจอยู่เหมือนกันหวัวหน้าคณะพึมพำออกมาหลีตาลงแต่ฉันคิดว่าอย่างช้าที่สุดภายในไม่เกินเจ็ดวันนี้ไอ้งูตัวนั้นจะต้องปวนเปี้ยนเข้ามาที่หมู่บ้านนี้อีกแน่ๆอาหารที่มันควรจะหาได้ง่ายที่สุดก็คือในหมู่บ้านนี่ แล้วมันก็รู้อยู่แล้วถูกพวกเรายิงไปเมื่อคืนที่แล้วแม้จะไม่จังนะก็ตามมาันน่าจะตกใจหนีเข้าดวงลึกไปโดยไม่คิดโผล่ออกมาอีกนานนะับปีก็ได้นะคะพี่ใหญ่ดาลินแย้งมาเบาๆหล่อนวิตตกเช่นเดียวกับชายยันแต่ผมอยากจะเชื่อตามความเห็นของคุณชายครับพรานใหญ่เอ่ยมาแผ่วเบางูตัวนั้นใหญ่มากบาดแผลที่เรายิงไป สังเกตดูจากร่องรอยแล้วแทบจะไม่ทำให้มันรู้สึกอะไรเลยและอันเนื่องมาจากเป็นสัตว์เลือดเย็นประสาทมีความรู้สึกช้าเรื่องที่มันจะตื่นตระหนกอะไรง่ายๆคงไม่มีหาสัตว์ที่ไหนกินไม่ได้ก็คงจะต้องหวนเข้ามาในหมู่บ้านอีกเพราะเคยเอาไปกินได้โดยสะดวกสัตว์ป่าอื่นๆที่จะเป็นเหยื่อของมันก็พากันรู้เชิงไหวทันเลดนิดหนีไปหมดแล้วยากที่มันจะหากินจากที่อื่นได้นอกจากที่นี่ มันก็บังเอิญประจวบเหมาะไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่แช่ถาจะต้องอยู่ในระหว่างพักฟื้นที่นี่ด้วยระยะเวลานี้เราใช้เป็นเวลาที่รอคอยกาจัดงูตัวนั้นไปในตัวว่าแต่ตามความรู้สึกของขยินและชาวบ้านทั้งหลายเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่เรารับอาสาครั้งนี้พอจะเรื่อมสายศรัทธาดีอยู่หรือเปล่าอดีตนายทหารปืนใหญ่สอบถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง พรานใหญย่ยิ้มเล็กน้อยยกถ้วยกาแฟที่ถือครึ่งอยู่ในมือขึ้นจิตการแสดงของคุณหญิงกับคุณชายยันเมื่อเย็นนี้ต่อหน้าขยินและลูกบ้านทั้งหลายได้ผลมากทีเดียวครับทําให้เจ้าพวกนั้นเชื่อมั่นเลื่อมใสเราขึ้นอีกมากขวัญและกําลังใจก็ดีขึ้นนี่ผมก็สั่งขยินไว้แล้วให้ทุกคนในหมู่บ้านออกไปทํางานในไร่กันตามปกติไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนหวาดกลัวกันอยู่แต่ในเรือนและให้ทุกคนช่วยกันสังเกตร่องรอยไว้ ด, ด้วย ได้วี่แววอะไรก็รีบกลับมาบอกพรุ่งนี้ผมเองก็จะลองออกสำรวจรอบๆบริเวณหมู่บ้านกําหนดทางหนีทีไร่ไว้ให้พร้อมเรื่องงูไม่สําคัญเท่าไหร่นักหรอกเรื่องสําคัญมันอยู่ที่เจ้ามุว่าแล้วเขาก็เหลือไปอยังลูกชายผู้เจ็บหนักของหัวหน้าบ้านอีกครั้งขยินและทุกคนในหมู่บ้านกําลังสนใจเรื่องอาการเจ็บของมุอยู่กําลังรอดูผลว่ามุจะรอดตายจากฝีมือของคุณหญิงได้จริงหรือไม่ ว่าอันที่จริงแล้วขยินรักลูกชายคนเดียวของมันมากเป็นห่วงกังวลอย่างที่สุดถ้าคุณหญิงสามารถกู้ชีวิตลูกชายมันไว้ได้เราก็เท่ากับได้ความซื่อสัตย์พักดีของขยินและหมู่บ้านหลมช้างไว้ทั้งหมดแต่ถ้าบังเอิญมุไม่รอดคะแนนนิยมของผู้ดาวจะตกไปมากทีเดียวทุกคนเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ดาดินเวราลิตผู้เป็นคนสาคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ สัญญาแพทย์สาวประจำคณะใบหน้าเคร่งขึมลงลุกขึ้นเดินช้าๆมายืนกอดอกอยู่เหนือร่างอันหลับสนิทหายใจรวยๆของลูกชายหัวหน้าบ้านแล้วหันกลับมาทางทุกคนหมอทุกคนไม่มีใครกล้าที่จะรับรองคนไข้ของเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มหล่อนเอ่ยขึ้นแผวต่ำทุกสิ่งทุกอย่างในโรคนี้มันไม่แน่นอนได้เสมอไปเข้าทฤษฎีอ น, นิจจังเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้นั่นแหละ คนเราถ้าลงจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตกันแล้วก็ต่อให้หมอเทวดาก็ช่วยไว้ไม่ได้ยังไงก็ตามในกรณีของเจ้ามุคนนี้คอยรู้ว่าสุดฝีมือและความสามารถของฉันเท่าที่จะช่วยเหลือได้ทีเดียวและอยากจะหวังไว้ด้วยว่ามันต้องรอดอาการของมุอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ถ้าได้ทําการรักษาเยียวยากันในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อม แต่นี่เรามีอุปกรณ์แบบสนามกันตามมีตาเกิดสิ่งที่จำเป็นบางอย่างก็ขาดคนเจ็บไม่ได้รับการช่วยเรือดไม่มีน้ำเกลือไม่มีออกซิเจนช่วยสมมุติว่าจะต้องมีการผ่าตัดซ้ำขึ้นอีกเมื่อไรก็แปลว่าเกมทุกคนพากันนิ่งไปแต่เท่าที่ผมเห็นเห็นมาผู้ชอป่าชาวเขาธรรมชาติสร้างให้มีความทระหดอดทนเป็นพิเศษผิดกับชาวเมืองมากทีเดียว ในที่สุดพรานใหญ่ก็บอกมาเบาๆผมเองเคยช่วยเกเลียงถูกวัวแดงขีดไส้ไหลออกมากองนึกว่ามันต้องตายแน่แล้วความรู้ในเรื่องแพทย์ผมก็ไม่มีเลยช่วยมันไปตามมีตาเกิดขนาดเอารวดเย็บแผล ก, กันไม่ให้ไส้ทะลักออกมาแล้วรอนแลมข้ามวันข้ามคืนเอามันไปส่งถึงสุขศาลาที่อำเภอมันก็ยังรอดตายได้ไม่ยักเป็นอะไรนั่นแหละ ถึงอย่างไรก็จะถือเป็นหลักตายตัวให้เชื่อมั่นไม่ได้สภาพของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วแต่รายๆไปบางคนอาการหนักที่สุดใครเห็นก็ต้องว่ามีรอดแต่กลับรอดไปได้บางคนเห็นว่าบาดเจ็บเป็นเล็กน้อยน่าจะปลอดภยัยแต่รับกลับตายคุณไม่ได้เป็นหมอคุณไม่รู้แพทย์สาวประจำคณะกล่าวมาอย่างระมัดระวังแต่ละพินไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มันบ่งชัดอยู่ว่า รอนไม่ได้ประมาทเลยและเท่าที่เห็นก็เอาใจใส่ประครบประงมคนเจ็บอย่างเต็มที่ถ้าจ้ามุไม่รอดในครั้งนี้ก็แปลว่ามันถึงที่เอาจริงอย่างช่วยไม่ได้นึกว่ามาถึงหล่มช้างจะได้พักผ่อนกันให้เต็มที่ก่อนการบุกข้างหน้าต่อไปที่ไหนได้มาเจอเอาเรื่องตึงเครียดนอนตาไม่หลับเข้าอีกแล้วชายยันบ่นถอนใจเฮือกมองดูหน้าเชื่อถาและหัวเราะอย่างละเหียใจ นี่คืออุปสรรคที่เราจะต้องฟันฝ่ามันไปเป็นลําดับมันเรื่องเล็กน้อยหรือเกินถ้าจะเทียบกับอนาคตที่เราจ ะ, ะเผชิญข้างหน้ามาถึงหล่มช้างได้สําเร็จทําความเข้าใจกับขยินได้โดยไม่ต้องเปลืองเลือดเนื้อชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรจะพอใจที่สุดเชษฐาเเอ่ยมาด้วยเสียงปลุกปลอบใจแล้วตบแขนผานใหญ่ถามมาอย่างผู้ใหญ่ว่ากินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วห ร, รือระพินเห็นหายไปตั้งแต่เยน็นผมกินกับขยินเรียบร้อยแล้วครับ นานๆพบกันทีและมีเรื่องที่ต้องพูดกันมากก็เลยต้องไปครุกอยู่กับมานเพื่อเอาใจมันหน่อยดาลินทำท่าเหมือนจะเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้ถามมาโดยแเหว่าเป็นยังไงลองสอบเจ้าขยินของคุณดูแล้วอย่างเรื่องที่มันข้ามิชชันนารีสองผัวเมียนั่นนะ่ะพรานใหญ่อึดอัดเล็กน้อยตอบหลอดมาไม่เต็มปากเต็มคำนักก็ถามมันดูแล้วครับแล้วมันบอกว่ายังไงทาไมไม่เล่าไปให้ละเอียด หลอนซักจะสนใจเต็มที่แล้วพินถอนใจเบาๆจะอย่างไรก็ตามดารินก็ทิ้งนิสัยประจำเพศหอนไปไม่ได้ชอบวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการอารมณ์อ่อนไหวละเอียดยิบดูหลอนเจตนาจะสั่หัวหน้าบ้านดมช้างให้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขานึกว่าหลอนจะลืมไปแล้วแต่ก็ไม่ยักลืมหมอสอนศาสนาสองคนนั่นพยายามจะให้พวกมันเลิกกราบไหวบูชาผีมาบูชาพระเจ้าแทน เขาบอกมาอย่างเสียไม่ได้ประจวบกับที่ขณะนั้นเมียสาวของขยินคนหนึ่งเจ็บหนักมิชนารี่สองคนนั่นขันอาสาที่จะรักษาให้หายโดยให้หมอผีที่รักษาอยู่ก่อนเลิกรักษาท้าขยินเอาชีวิตตนเองเป็นเดิมพันถ้ารักษาไม่หายสามวันต่อมาเมียของขยินก็ตายขยินก็เลยฆ่ามิชนาี่สองคนผัวเมียนั่นเสีย หลอนกล่าวดักคอมาด้วยเสียงกล้าวแข็งตาพลุกวาวพลานใหญ่ยักไหลอย่างที่ผมเคยบอกแล้วนั่นแหละครับเจ้าพวก น, นี้ซื่อตรงต่อคํามั่นสัญญาที่สุดตกลงกันไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันมีวัฒนธรรมมากในด้านหนึ่งแต่ก็ป่าเถื่อนมากในอีกด้านหนึ่งหน้าของนักมนุษย์วิทยาสาวตึงเครียดจ้องมองดูเขาด้วยสายตากระด้างปันหนึ่งจะเห็นเขาเป็นขยินไปเฮ้ดีนี่ หมายความว่าคุณเห็นว่าเจ้าสหายขยินของคุณทำถูกต้องแล้วงั้นสิผมก็ไม่เห็นว่าขยินทาถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้เหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่มีผมอยู่ด้วยถ้าผมอยู่ด้วยในตอนนั้นมิชนาลี่สองคนนั่นก็ไม่ตายและนี่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วสิ่งที่ผมจะทำได้ก็คือสั่งสอนห้ามปรามมันไม่ให้ทาอย่างนั้นอีกซึ่งมันก็ยอมเชื่อฟังดี หญิงสาหัวเราะหืในลำคอหันไปมองดูเจ้าหมุมิน่าร่ะคุณถึงได้มากำชับฉันนักหนาในเรื่องการรักษาเจ้าหมุนี่สมมุติว่าถ้าชันช่วยหมุไว้ไม่สำเร็จโดยมันเกิดตายลงขยินก็คงจะคิดฆ่าพวกเราด้วยงั้นสิจอมผาหัวเราะเอื่อยๆในลำคอคงไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับคุณหญิงเราไม่ได้ไิท้าพนันกับมันไว้ว่าเราจะรักษาหมุให้หายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่อยู่ในฐานะที่ขยินจะบังอาจคิดร้ายถึงเพียงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยินเกรงกลัวฝีมือคุณหญิงมากเป็นพิเศษเป็นนักมนุษยวิทยาที่กําลังจะทําปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นอะไรต่ออะไรที่มีดีรกรีต่อท้ายยาวเหยียดสักขนาดไหนขยินมันไม่สนใจหรอกแต่ถ้าบอกว่าเป็นแม่มดผู้มีเวทมนต์พิเศษคําเดียวมันยอมสิโรราบแล้วคุณหญิงจะเลือกเป็นแพทย์ หรือว่าเป็นแม่โมดสำหรับเจ้าพวกคนด่งเหล่านี้ดีจริงนะดีมากพ่อพลานไพรดาลินเน้นเสียงประโชดมาอย่างเฉีวๆฉวตรงข้ามกับเชื่ถาและชายยันในขณะ น, นี้ซึ่งพากันหัวเราะคลื้น ล, ลั่นที่พักเราจะชนะใจเจ้าพวกนี้ได้ก็ด้วยจิตวิทยาเป็นหลักใหญ่และพินเขาทำถูกแล้วน้อยพี่ชายพูดมายิ้มยิ้มถ้าคิจะพักอยู่ที่หล่มช้างนี่ชนิดนอนตานหลับสั่งคาไหนเป็นคานั้นแล้วก็ เธอต้องเป็นแม่มดตามที่เราพินว่าเขาใจชา ย, ยาญเสริ ม, มาด้วยอารมณ์สนุกกรัซ้าเพื่อนสาวดาลินทิ้งตัวลงไปนั่งบนเตียงอย่างหมดแรงช้ำเลืองหางตาคุณคุณจับอยู่ที่พานใหญ่แล้วค้อนตาควางบนพำรรถ้าฉันมีอิทธิฤทธิ์ได้อย่างแม่มดจริงๆมันก็ดีนะสิสําคัญไม่มีฤทธิ์จริงเจ้ากระยินมันคงจับแม่มดก็เผาทั้งเป็นให้สักวันหนึ่งก่อนที่จะไปจากที่นี่ทําไมคุณหญิงจะไม่มีฤทธิ์ครับ ก็มีอย่างที่มีอยู่แล้วนี่แหละสั่งลูกปืนได้ทุกนัดรักษาลูกชายมันให้รอดตายได้แค่นี้ขยินก็ขี้ค้าจะหมอบลงกราบการหรือว่างๆนึกสนุกจะให้มันนับถือยิ่งขึ้นก็ลองโอมอ่านคาถาเสกน้ำให้เดือดพร่านขึ้นมาให้เห็นโดยใช้วิธีเตรียมการของวิทยาศาสตร์ขึ้นง่ายๆรวมทั้งปาฏิหาริย์แบแบแปลกๆอันเป็นวิทยากลพวกนี้ก็จะมองเห็นคุณหญิงยิ่งกว่านางไม้ หรือผู้ผีปีศาจที่มันเคยนับถือผมช่วยเป็นหน้าม้าประกอบการเล่นกลของคุณหญิงก็ได้พรานใหญ่พูดหน้าตาเฉยแต่แล้วก็ต้องหดคอลงเมื่อมองเห็นมืองหงิกๆงิกของแม่มดคนสวยสองหลามาทางเขาพร้อมกับตาเขียวปัดประหลับประเหลือกเงกนี่แน่ตัวดีนักนะรานะ่ะระวังให้ดีเหอะแม่มดคนนี้จะเสกเชื่อไวาให้เข้าท้องสักวันหนึ่งร้ายชะมัดเลยแต่เธอไม่มีทางเลือกอย่างอื่น เธอต้องยอมเป็นแม่มดอย่างระพินว่าชัยยานพูดมาขึงขังแล้วก็เพ่นออกไปพ้นรัศมีอย่างทันควันเมื่อเพื่อนสาวหันไปคว้ามีดผ่าตัดอันคมกริบที่วางเกะ ก, กะอยู่บนโต๊ะสนามขึ้นมาถือไว้นี่ก็อีกคนนึงเข้ากันเป็นปีเป็นขรุยดีนักปะเดียวได้เห็นลิ์แม่มดหรอกแล้วหล่อนก็หันไปทางระพินถ้างั้นก็ไปบอกขยินเถิดว่า แม่มดตอนนี้รู้เรื่องที่ขยินฆ่ามิชนารี่สองคนผัวเมียนั่นโดยตลอดแล้วขยินทําบาปไว้อย่างมหันมันจะต้องถูกสาปแช่งให้ผีเข้าไปกินไส้ธีรคดอย่างทรมานจนกว่าจะตายไปไปบอกมันอย่างนี้แหละถ้าผมไปบอกขยินอย่างนี้มันก็ตกใจช็อกตายเท่านั้นแหละครับละผินพูดปนหัวเราะอย่าไปสนใจอะไรกับเรื่องมิชนารี่สองคนนั้นให้หนักสมองอยู่เลยน้อย พี่ชายพูดขึ้นเป็นงานเป็นการไหนไหนเขาก็ตายไปแล้วเราเฉยๆเสดีกว่าสำคัญว่าให้ขยินดีกับเราก็แล้วกันส่วนจะตักเตือนหรืออบรมสั่งสอนให้เขารู้ผิดรู้ชอบค่อยหาโอกาสกันคราวหลังเอาแต่เรื่องเฉพาะหน้าของเราดีกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ธุระคำเตือนของพี่ชายทำให้ดาลินสงบลงแต่สีหน้าอย่างเครียดส่อความไม่พอใจยิ่งยวด รปินสนทนากับคณะนายจ้างอยู่อีกครู่ก็ขอตัวก่อนที่เขาจะก้าวพ้นประตูกระจกออกมานั่นเองเสียงหญิงสาวก็บอกมาอย่างเป็นคำสั่งว่าคุณจะไปคลุกคลีมั่วสุมอยู่กับขยินเพื่อนโยบายจิตวิทยาอะไรก็ตามเถอะแต่สำหรับในเวลากลางคืนคุณควรจะนอนอยู่ในแคมป์ของเราไม่ใช่ไปนอนอยู่บนเรือนขยินรปินชิดเท้าตรงก้มศรีรษะทำหน้าตายบอกมาอย่างวิญญาทหารว่า กระผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของนายหญิงครับผมแล้วเขาก็พลักออกไปพอรับก่างของพรานใหญ่เชิดฐาหันไปมองหน้าน้องสาวทำไมไปบังคับเขาราวกับว่าเขาเป็นเด็กเล็กๆในปกครองของน้อยอย่างนั้นไม่ใช่บังคับเพราะเห็นว่าเป็นเด็กเล็กในปกครองหรอกค่ะน้องสาวตอบพร้อมกับยิ้มจืดๆยักไรลพี่ใหญ่ไม่สังเกตหรือคะตั้งแต่มาถึงลมช้างตะพานของเราแทบจะไม่มีเวลาหยุดติดแคมป์ใกล้ชิดกับพวกเราเลย มัวสุมอยู่กับพวกนั้นตลอดเวลาในเวลากลางวันก็ไม่ว่าอะไรแล้วกลางคืนมันเป็นเวลาวิกาลทารพินไม่อยู่ในแคมป์ของเราสักคนเดียวใครจะมารับประกันอะไรได้จริงละ่ะสําหรับตัวเขาเองรู้จักพวกที่นี่ดีแต่พวกเราละ่ะเราไม่รู้อะไรสักอย่างจะไว้ใจอะไรได้สนิทยังไงตั้งแคมป์อยู่หล่มช้างนี่น้อยมีความรู้สึกไม่ผิดอะไรกับดงลึกกลางป่าเลยสักนิดเดียว หรืออาจจะต้องระวังมากกว่าอยู่กันในดงสิอีกพานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบแคมป์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ควรจะผ่าจากแคมป์ไปแม้ว่าเขาจะเชื่อใจขยินสักเท่าไหนก็ตามหัวหน้าคณะเพิ่งจะรู้สึกได้ตามถ้อยคำของน้องสาวดาลินละเอียดรอบครอบมากทีเดียวในเรื่องนี้ซึ่งเขาเองก็มองข้ามไปเสียมันมาจากนิสัยถี่ถ้วนและขี้ระแวงของรอนนั่นเองก่อนเข้านอน หญิงสาวเดินออกมาแหวกประตูกระจมสังเกตออกไปเยืวอเวรที่พักชั ย, ยันก็ตามเข้ามาหยุดยืนดูเคียงข้างอยู่ด้วยพบว่าพวกลูกหาและพานพื้นเมืองเข้าประจำเวรยามกันแข็งแรงเป็นปกติไม่แตกต่างไปกับการพากแรมอยู่ในดงทั้งสองมองดูด้วยความพอใจแล้วินของเราไม่ใช่คนประมาทหรอกเขารัตกุมอยู่ทุกขณะชนิดวางใจได้ทีเดียวช ย, ยันกระซิบกับเพื่อนสาวเบาๆแต่ฉันดูท่าว่า คืนนี้ถ้าไม่ขัดคอไว้สิก่อนเขาคงจะทิ้งแคมป์ไปนอนบนเรือนขยินแน่ๆดูแต่เมื่อเย็นนี้สิแทนที่จะลงมากินข้าวกับพวกเรากลับไปกินกับไอลิงทโมนนั่นสินี่หลอนว่าชายยันหัวเราะเขาสังเกตเห็นแล้วนักมานุษิษยาคนสวยมีอาการหงุดหงิดมากเมื่อระพิ์สั่งเกิดมารายงานว่าให้คณะนายจ้างรับประทานอาหารเย็นการตามลำพังโดยไม่ต้องรอเขาดูท่าทางเธอยังไม่ไว้ใจขยินนัก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขึ้นอยู่กับผ่านใหญ่ของเราเคขารับรองคำเดียวฉันก็สบายใจแล้วสำหรับขยินนั่นดูเธอช่างมั่นใจในตัวเขาเหลือเกินนะหางเสียงของหล่อนแดกดันอดีตนายทหารปืนใหญ่ก้มหัวลงกล่าวหนักแน่นขณะที่จ้องศบตาเพื่อนสาวผู้รักสนิทเหมือนญาติใช่ฉันมั่นใจตัวเขาเสียยิ่งกว่ามั่นใจตัวเองอีกบุกบั่นเสียงชีวิตกันมาครึ่งทางเข้านี้แล้วมันทําให้ฉันรู้จักเขาดีที่สุด เห็นท้งน้ำใจและฝีมือมาพอทีเดียวถึงเชื่อาก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับฉันแหละทำไมเธอยังไม่ยอมเชื่อมือคนคนนี้อีกละทำไมหลอนถึงจำไม่เชื่อก็ไม่ใช่เพราะเชื่อหรอกหรือที่ทำให้หลอนต้องการให้เขาคนนั้นอยู่ในแคมป์คืนนี้โดยไม่ยอมให้ปลีกตัวห่างไปไหนเจ้าไพรผู้นั้นคือหลักประกนันอบอุ่นที่สุดสาหรับหลอน อ้อมแขนของเขาเคยปกปากพิทาของไัยทั้งมวลในอาณาจักรพงไพรให้แกหล่อนมาแล้วซึ่นทราบอยู่กับหัวใจของตนเองมาตลอดเวลาแต่ธุระอะไรที่หล่อนจะต้องเปิดเผยความรู้สึกนี้ให้แก่คนอื่นร่วงรู้ด้วยหล่อนเป็นคนกล้าหาญเฉียบขาดและผงผางเหมือนผู้ชายแต่แก่นแท้ของหัวใจดาดินวราลิก็เช่นเดียวกันกับผู้หญิงสามันธรรมดา น, นั่นเอง ชอบกรบเกลื่อนอำพรางโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัวหาเหตุผลไม่ได้ใครๆก็รู้มาก่อนว่าหล่อนช่งน้ำหน้าไม่กินเส้นกับพรานนำทางจะมาชื่นชมด้วยง่งายๆเป็นเรื่องน่าอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของพี่ชายและเพื่อนฉันเชื่อมือเขาเฉพาะเหลี่ยมคูในเชิงพรานหล่อนตอบตรงข้ามกับหัวใจน้าเสียงยิงอยู่เช่นนั้น แต่จะให้เชื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กระจายอยู่อย่างน้อยก็จะไม่ยอมตัดสิทธิพิจารณาญาณของตนเองเสียเป็นอันขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวกับสัตว์หรือว่าเส้นทางปัญหาใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ควรปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของเขาที่คนเดียวโดยตลอดมันอาจผิดพลาดขึ้นก็ได้เขาไม่ปราดเปรื่องไปเสียทุกอย่างหรอกหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว การโตเถียงขัดแย้งคือการร่วมกันช่วยพิจารณาในข้อปัญหาสิ่งที่จะตัดสินใจทำลงไปย่อมได้ผลอันรอบคอบรัดกุ่มที่สุดดีกว่าจะคล้อยตามถ่ายเดียวเพราะหม่แต่หลงเชื่อแต่ฝีมือความผิดพลาดมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเหตุผลของเธอก็น่าฟังอยู่แต่จะว่าอันที่จริงแล้วินก็ไม่เคยทำอะไรลงไปโดยพระการชนิดที่ไม่บอกพวกเรารู้เลยเมื่อเกิดปัญหาดีใดขึ้นเขาจะนำมาปรึกษาเราเสมอ และคอยรับฟังเราเป็นหลักใหญ่ยกเว้นกรณีที่เราโยนหน้าที่ตัดสินใจให้แก่เขาเท่านั้นเขาปฏิบัติตัวเป็นลูกจ้างของเราได้เหมาะสมควรแก่ฐานะอยู่แล้วกล่าวจบชายยันชูมือขึ้นดีดแรงๆแง่ท า, ายผู้นั่งอยู่ริมกองไฟใหญ่หน้ากระโจมเป็นประจำก็เหลียวมาแล้วรีบลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาหาเมื่ออดีดนายทหารปืนใหญ่กวักมือเรียกบอกหน่อยแง่ทาย เดี๋ยวนี้พวกเราจะวางใจขยินและพวกก่มช้างทั้งหมดนี้ได้แค่ไหนคนใช้ชาวดงซึ่งบัด น, นี้กลายเป็นคนสนิทที่สุดของคณะนายจ้างยิ้มสว่างอยู่ในความมืดสรัวแลดูแจ่มใสบริสุทธิ์เหมือนรอยยิ้มของเด็กพรานใหญ่วางใจขยินได้แค่ไหนเราก็วางใจได้แค่นั้นครับนายทหารชายยันยิ้มออกมาอย่างพอใจหันไปมองดูหน้าดาดินเป็นยังไง ที่ปรึกษาพิเศษส่วนตัวของเธอบอกออกมาแล้วเช่นนี้พอจะสบายใจได้หรือยังหญิงสาวหัวราะเบาๆยกมือขึ้นกอดอกถ้าฉันเป็นพรานใหญ่ระพินแล้วก็ฉันจะเอ็นดูเธอให้มากมากทีเดียวแงซายเธอเริ่มใส่ศรัทธาและให้เกียรติเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันเห็นเขาไม่ค่อยจะกินเกลียวกับเธอเลยนี่คนใช้ชาวดงยิ้มกว้างอยู่เช่นนั้นตอบด้วยเสียงกังวลแจ่มใส ถ้าผมเป็นผู้กองผมก็จะต้องมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับที่เขามีต่อผมนี่แหละครับนายหญิงทำไมพฤติการเป็นมาของผมมันน่าจะทำให้คนฉล า, าดรอบคอบอย่างผู้กองต้องคิดระแวงเพราะเขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อขบวนเดินทางทั้งหมดแต่ผู้กองจะมีความรู้สึกเช่นไรก็ตามผมไม่มีความรู้สึกใดๆต่อเขาเลยเขาเป็นนายของผมคนหนึ่งแม้จะไม่โดยตรงนัก และผมก็เคารพศรัทธาต่อเขาด้วยใจจริงเธอเป็นคนฉลาดมากนะแง่ทายรอบครอบรับกลุ่มอยู่ทุกขณะไม่มีอะไรละหลวมเลยแม้กระทั่งในด้านวาจาหล่อนพูดมาอย่างมีความหมายกินรึกแง่ทายไม่มีปฏิกิยาใดๆทั้งสิ้นคงอยู่ในอาการเดิมชายยันก็สกิดเพื่อนสาวให้เข้ามาในกระโจมแล้วก็ซิบบอกว่าถ้ารพินคือเสือไอ้เจ้าแง่ายนี่ก็คือสิง เธออย่าไปหวังจับพิรุษอะไรหมอนี่เลยมันไม่ยอมพลาดหรอกต่อให้เธอเบรมพรานใหญ่อย่างไรมันก็จะไม่มีการสนับสนุนเอ อ, อ่วยซ้ำเติมเข้าไปกับเธอด้วยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แงซายตัวปิดศนาที่กำลังตีมิแตกอยู่ในขณะนี้มันก็รู้อยู่ดีแล้วว่าจะยังไรเสียระพินย่อมใกล้ชิดกับพวกเราเหนือกว่ามันอยู่ตลอดเวลาถามจริงๆเธอชัยันในความรู้สึกส่วนตัวของเธอ เธอเห็นว่าแง่ทายเป็นคนลึกลับมีอะไรน่าคิดเหมือนกันหรือดาลิมถามแผ่วเบาไม่เพียงแต่ฉันชเชษฐาก็ไม่เคยมองข้ามเพียงแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเราสบายใจได้เพราะถือว่ารัพพินเป็นเลดา้าคอยจับมองอยู่ทุกขณะแต่จะอย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราพอใจเจ้านี้อย่างที่สุดและหวังไว้ก่อนในทางที่ดีว่ามันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆกับพวกเราภายหลังหญิงสาวลีตาคิด ไม่เอ่ยคําใดอีกก่อนจะเข้านอนหล่นอนก็เข้าไปตรวจดูอาการของมูอีกครั้งหนึ่งและลูปศรีรษะของนางอั้วผู้ตลอดเวลานั่งเฝ้าชายคนรักไม่ยอมห่างอย่างแสนพักดียิ้มให้บอกอ่อนโยนเปลี่ยนไปด้วยความปราณีว่าเจ้าจงนอนพักเสืเ่เถิดนอนให้หลับสบายไม่ต้องกังวลคอยนั่งเฝ้าคูรักของเจ้าตลอดเวลาหรอกแม้จะไม่รู้ความหมายได้ชัดแจ้งนะ แต่นางกะเหรี่ยงสาวก็สามารถเข้าใจได้โดยใส่ชาติยานและอาการทำมือประกอบการพูดของรอนนางอ้วทอดกายลงนอนเคียงข้างคนรักอย่างว่าง่ายตาซื่ออันน้าเวทนานั้นลืมใส่ขึ้นจับดูรอนเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและอบอุ่นเหมือนบุตรที่มีต่อมาดานอกกระโจมพักพอร่างของชัยยันกับดารินรับหายเข้าไปแง่าสายถอยกลับไปนั่งคลุมผ้าอยู่ริมกองไฟตามเดิม ร่างหนึ่งที่เฝ้าจับมองอยู่เงียบๆก่อนแล้วก็เคลื่อนออกจากเงาไม้เข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าชาวดงพนเนจรวาระนั้นเดือนแรมจัดเพิ่งจะโผล่พ้นเรียมเขาสาแสงซีดๆลงมาอาบราวป่าและหมู่บ้านหนมช้างแลเห็นไปเงาร่างๆขาวสลัวอยู่ทั่วไปน้ําค้างกลั่นตัวเย็นช่ำโปอยชุ่มไปทุกกิ่งใบพรึกมันเป็นคืนที่แสนจะหนาวสซาสะท้าน ส, านสวงอีกคืนหนึ่ง ตาคู่กล้าวเฉียบจับนิ่งประสานมาอย่างดวงตาเฉยเมยอมพนันที่เหลือกขึ้นศพโดยมีกองไฟกั้นกลางแล้วฝ่ายที่นั่งอยู่ก็หลบต่ำลงไปจักอยู่ที่เปลวไฟในกองร่างอันใหญ่โตตะงานงามราวกับนักลกบรานนั้นห่อตัวต่ำลงไปอีกภายใต้ผ้านวมคู่ชี้ผืนบางเก่าข่ำข่าสีําเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่ปากวารแรก ข, ของขุนขาพระศิวะแล้ว เพียงแต่จะก้าวผ่านเข้าไปเท่านั้นรลวพีนภัยวันทำลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงเบาลึกหย่อนกายลงนั่งบนขอนไม้ฝั่งตรงข้ามหยิบกิ่งไม้ติดไฟในกองขึ้นมาต่อกับบุรี่แล้วโยนเข้าไปในกองตามเดิมแกคงพอใจมากสินะที่ในที่สุดเราก็ามาถึงหล่มช้างทุกคนแม้แต่ผู้กองเองก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับผมคาตอบ เต็มไปด้วยอาการระมัดระวังและสํารวมแต่แกคงไม่พอใจนะักที่พวกเราทุกคนต้องมาติดงานสําคัญเฉพาะหน้ากันขึ้นที่นี่อีกแต่ไหนแต่ลายมาแล้วนับตั้งแต่ผมเข้ามาสมัครติดตามมาด้วยกับคณะเดินทางนี้ผมไม่มีสิทธิจะไม่พอใจอะไรทั้งสิ้นหน้าที่ของผมคือการรับใช้และปฏิบัติตามคําสั่งอย่างซื่อสัตย์เท่านั้นขยินบอกกับฉันว่า แกไม่ใช่กะเลียงไม่ว่าเผ่าไหนริมฝีปากค้อนข้างบางคู่นั้นแย้มออกไปนิดหนึ่งศบตาพลานใหญ่อีกแวบบผมก็เรียนผู้กองแต่แรกแล้วว่าผมไม่ใช่กะเลียงแท้นักแล้วแกเป็นอะไรแงซายหัวรอดลึอกอยู่ในลำคออวบใหญ่อังมือทั้งสองผิงเปลวไฟถ้าพ่อแม่พี่น้องของผมยังมีอยู่บ้าง คนเหล่านั้นจะเป็นหลักฐานบอกให้รู้ชัดว่าผมเป็นชนเผ่าใดแต่นี้ผมมีชีวิตโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในโลกเติบมาในดงกระเลียงถึงแม้กะเลียงจะไม่ใช่เชื้อชาติอันแท้จริงของผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวเองว่ากะเกลียงชื่อของแกที่ชื่อว่างแง่ทรายใครเป็นคนตั้งให้ผมไม่ทราบ เท่าที่จำได้พระธุดงองค์ที่อุปการรับผมมาท่านเรียกเช่นนี้คำว่าแง่ทายมันไม่ใช่เป็นชื่อของกะเหลี่ยงแกเองก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วครับผู้กองผมรู้แงสายเป็นชื่อของพวกทวายบางทีอาจได้ในข้อที่ว่าพระธุดงองค์ที่เลี้ยงผมมาท่านเป็นพมา่าผสมทวายและท่านเป็นคนตั้งชื่อให้ผมต่างเงียบกันไปชั่วขณะ พระจันทร์ข้างแหลมรอยสูงพ้นยอดไม้ขึ้นมาทุกขณะลำแสงสกาวสาดลงมากระทบน้ำค้างที่เกาะพราวอยู่ตามใบไม้ส่องประกายสะท้อนราวกับรุ่งเพชรสายตาของหนุ่มพเนจรชาวดงเงยหน้าขึ้นไปจับดูเดือนว้านั้นด้วยอาการเลื่อนลอยยากที่จะอ่านความคิดได้ถูกเมื่อกี้นี้นายหญิงกับนายทหารปืนใหญ่เรียกแกเข้าไปพูดเรื่องอะไรแล้พิมถามต่อมา ถามว่าพวกเราจะไว้วางใจขยินได้สักเพียงไหนแล้วแกตอบว่ายไงผู้กองไว้ใจขยินได้แค่ไหนทุกคนก็สามารถไว้ใจขยินได้เพียงนั้นพวกเจ้านายเชื่อแก่มากกว่าเชื่อฉันแง่าสายสัน่นศีรษะหาไม่ได้พวกเจ้านายระแวงผมไม่น้อยไปกว่าที่ผู้กองระแวงนั่นแหละพระพินภัยวันยิ้มการ์กา น, กาน บอกกับตนเองว่าเขาไม่มีทางจะวางกับดักเจ้านี่ได้เลยจด น, นิดเดียวมันฉลาดเฉลียวทันเชิงอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะหมุนไปในเหลี่ยมใดเราทั้งหมดสามารถจะไว้วางใจขยินได้มากกว่าที่จะไว้วางใจแกอีกไงซา ย, ายคนง่ออย่างขยินเป็นพิษเป็นภัยใดๆกับเราไม่ได้หรอกแต่คนฉลาดเป็นกฎอย่างแกถ้าคิดจะเป็นภัยกับเราเมื่อไรเมื่อ น, นั้น แกอาจทำได้สำเร็จแนบเนียนที่สุดแง่สายยิ้มพลายจ้องเขาด้วยตาเป็นประกายประหลาดก้มศีรษะลงคำนับผมทราบมานานแล้วว่าผู้กองไม่ใช่คนประมาทผู้กองเตือนผมโดยตรงให้ผมเล่งกระทำการใดให้แนบเนียนลึกซึ้งลงไปอีกถ้าหากว่าผมจะมีแผนทุจริตใดๆแฝงอยู่เบื้องหลังแต่ผู้กองที่เคารพ ท่านเคยคิดอะไรบ้างสักอย่างหนึ่งไหมคิดอะไรท่านยิ่งระแวงผมเท่าใดท่านยิ่งจับตาระมัดระวังผมมากขึ้นเท่าใดท่านก็ยิ่งสร้างความสำคัญให้แก่กระเรียงพเนจรผู้ไร้ค่าอย่างผมเพิ่มขึ้นเท่านั้นท่านให้เกียรติยกฐานะแง่ท า, ายนี้เหลือเกินกลาวจบเจ้าหนุ่มผู้ลึกลับก็ก้มศรีรษะยางอ่อนน้อม ง, งดงามให้เขาอีกครั้งพรานใหญ่หน้าแดง รู้สึกตนเองว่าได้พลาดท่าเปิดช่องว่างให้เจ้าชาวดงพระเนจรย้อนลำเอาได้ว่าทะาอันซ้อนความหมายหลายชั้นเข้าให้เสียแล้วฟังแต่ผิวเผินมันก็เป็นคำสุภาพกอบไปด้วยความคารวะยกย่องหากฟังให้ลึกมันบาดหัวใจสแสลงหูพิกลเขาคอแข็งเป็นนานชั่วขณะหนึ่งต่างศบตากันอีกระหว่างฝ่ายหนึ่งอดีตร้อยตารวจเอกตะเวนชายแดนไทย กับอีกฝ่ายหนึ่งอดีตร้อยโทกองทหารกระเรียงอิสระผู้ตลอดเวลามาต่างคนต่างผลัดกันตกเป็นหนี้ชีวิตของกันและกันอยู่หลายครั้งหลายหนแกกำลังเยาะเย้ยฉันงั้นหรือในที่สุดลพินพูดกลัวไปกับอาการหัวเราะเขาเย็นลงได้ทันใจดีเหมือนกันในเมื่อรู้ว่าออกบทโกรธขึ้นไปเท่าไดฝ่ายตรงข้ามก็ยิ้มเยาะมากขึ้นเท่านั้นผู้กองย่อมรู้ดีว่า ผมไม่บางอาจถึงเพียงนั้นรู้ไหมว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ทันทีนั้นเขาก็ถามขึ้นอย่างพรวดพราดแต่น้าเสียงทีเล่นทีจริงแง่ท า, ายก็ยิ้มบ้างและตอบในอาการเดียวกันว่ารู้สึกว่าผมจะรู้เอาละอ่านความคิดของฉันสิว่าฉันกำลังคิดอะไรผู้กองกำลังคานวณอยู่ว่าเมื่อเดินทางจากหล่มช้างแล้ว ระยะทางตอนไหนและเมื่อไรกันแน่ที่ผมจะทําการทรยศต่อคณะเดินทางทั้งหมดขึ้นและการทรยศนั้นจะเป็นไปในรูปใดเพื่อวัตถุประสงค์อันใดและอีกกระแสหนึง่งก็กําลังสงสัยอยู่ว่าผมเป็นใครมาจากไหนอาสาสมัครมาครั้งนี้หวังอะไรกันแน่พรานใหญ่หัวเราะฮ่าวๆก้มหัวลงใช่ แกอ่านความคิดของฉันได้ตลอดเวลาเหมือนสมิงที่มันแกะรอยพานแต่พรานผู้สามารถก็วางจันดักไว้หมดทุกด้านแล้วเอาละเมื่อแกอ่านความคิดของฉันได้ถูกก็ดีแล้วจะไม่ลองบอกล่วงหน้าสักหน่อยหรือว่าสิ่งที่ฉันคิดนี้จะเป็นจริงขึ้นเมื่อไรตอนไหนแกจะโกหกอำพรางหลอกลวงอย่างไรก็ได้ นึกเสียว่าเราคุยกันเล่นกันแล้วกันแง่ท า, ายหัวเราะกว้างๆมือรูปอยู่ที่เรือนผมสีน้ําตาลยาวปกต้นคออยักเป็นรอนคลื่นงามราวกับผมผู้หญิงผมอ่านความคิดของผู้กองดูแล้วทําไมผู้กองไม่ลองอ่านความคิดของผมดูบ้างฉันทายว่าแกจะยังไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆกับพวกเราจนกว่าจะถึงมรกรนครเพราะระหว่างนี้แกต้องพึ่งเราเกี่ยวกับการเดินทาง แต่เมื่อไปถึงจุดหมายที่แกต้องการแล้วนั่นแหละพิษร้ายใดยๆของแกซึ่งถ้าหากว่ามีอยู่ก็คงจะคลายออกมาตอนนั้นถ้าผมเป็นเสือสมิงอย่างผู้กองว่าแง่ายผู้ยิ้มยิ้มก็เป็นเสือสมิงตัวที่พรานจกระกับกำลังสาวรอยกระชั้นอยู่เบื้องหลังเช่นกันเสือกับพรานเดินวนสู่กลิ่นกันและกันอยู่เป็นวงกลมถูกแล้วครับผู้กอง ถ้าผมจะคิดทรยศผมก็จะกระทำขึ้นภายหลังจากถึงจุดหมายแล้วนั่นแหละไม่ก่อนหน้านั้นแน่ๆผู้กองคำนวณถูกตามเหตุผลแล้วแกไม่สงสัยบ้างหรือว่า ท, ทั้งที่ฉันก็ไม่ไว้ใจแกมาตลอดเวลาเหตุไรฉันจึงยอมให้แกเดินทางมาด้วยชาวดงพเนจรพึกรึกครับสั่นหัวซุนฟืนท่อนใหญ่ที่ถูกกินล้าออกมานอกบริเวณเข้าไปในกองไฟไม่สงสัยหรอกครับ ทำไมผู้กองได้ลูกหาบหรือคนใช้เพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งสำหรับการเดินทางเสี่ยงตายครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นกำลังให้ช่วงใช้โดยซื่อสัตว์อดทนจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าถ้าผู้กองไม่ยอมให้ผมมาด้วยผู้กองก็คงไม่ใช่พรานใหญ่ระพินภัยวันผู้ชาญฉลาดพรานใหญ่แยกเขีย้ยบบอกตามตรงไอ้ความฉลาดเป็นกรด ตามทันอยู่ตลอดเวลาของแกนี่มันทําให้ฉันทั้งชังและทั้งรักแกปนกันอยู่อย่างไรพิกรณถ้าแกไม่ใช่คนลึกลับสีอย่างเดียวฉันจะรักแกมากที่สุดทีเดียวแง่ทรายเงยหน้าขึ้นมองดูเขาด้วยสายตาตรงพูดแช่มช้าชัดเจนว่าความชังที่แปลสภาพมาเป็นความรักย่อมมีคุณค่าเหนือกว่าความรักซึ่งกลับเป็นความชังภายหลังจริงไหมครับผู้กอง รพินไพร์วานคอแข็งงานไปอีกจ้องศบตาแงซายอย่างพินิดลึกซึ้งเหมือนจะค้นลงไปถึงก้อนบื้งของหัวใจก็เห็นรอยยิ้มน้อยๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากนั้นพรางเมินไปอย่างกองไฟเสียนักรบนักร่อนเล่พนเนจรพรานและลึกลงไปกว่านั้นแกยังเป็นนักปัจจาอีกด้วยแงซายฉันภาว น, นาขออย่าให้แกกับฉันต้องไปฆ่ากันทีหลังเลย แง่ทายคงยิ้มอยู่เช่นนั้นเป็นยิ้มที่เขาแสนจะห ง, งุดหกิดชิงชังเพราะมันตีความหมายไม่ออกแสงฝไฟในกองสาส จ, จับผิวหน้าเป็นสีแดงเรื่อมันละเลื่อมเป็นเงาประดุดหุ่นทองแดงแลดูราวกับรูปปั้นของเจ้าชายในนิยายเทพกลีกโบราณพิจ ด, ดูแล้วแล้วพินก็ปฏิเสธตนเองไม่ได้ว่าเขาจะไม่พึงพอใจในบุ ค, คลิกท่าทีของเจ้าแง่สายผู้นี้สมมุติว่า ครั้นแล้วรพินเอ่ยขึ้นแผ่วเบาโดยที่ตนเองก็ไม่ตั้งใจถ้าฉันตายเสียก่อนระหว่างทางแกจะเป็นผู้นำคณะนายจ้างของเราไปยังจุดหมายที่ต้องการได้หรือไม่แง่ทรา ย, ายคำพูดเช่นนั้นของเขาเรียกสายตาของนักพเนจรชาวดงให้ต้องเหลือบจับนิ่งมาอีกครั้งเขาหน้าอันย่าที่จะพูดออกนั้นมีแววเคร่งขรึมลงแต่ก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยน ดูท่าแง่สายจะตกใจไม่ใช่น้อยในคำถามแบบคาดไม่ถึงของเขาทำไมครับผู้กองทำไมผู้กองถึงพูดเช่นนั้น